อ่าพ่ออาจารย์เข้ามาละเดี๋ยวผมเข้าสู่รายการเลยนะครับนะพ่ออาจารย์นั่นมาละพ่ออาจารย์ครับมอาจาริญพลอยคุณหมอกลับมาแล้วสักการะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ตอนนี้ช่วงนี้แข็งแรงดีนะครับผมก็ยังหายใจได้เห็นทีชนบุรีโอ้โหเยอะเลยนะครับพ่ออาจารย์ ก็พอๆกันครับพอๆกันวันก่อนมีคนในสาราฉันด้วยนะครับอาจารย์ครับใช่ไหมครับผมคงอย่างนั้นไหมก็ทุกคนก็สายหน้ากางไม่น่าจะมีปัญหาก็ยังไม่มีใครเป็นไข้หรือเป็นอะไรครับคุณอาจารย์ครับกลับขอบคุณครับอาจารย์ครับงั้นผมขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับอาจารย์ครับตอนนี้มีคนรอฟังอยู่300กว่าคนนะครับผมอาจารย์ครับ เดี๋ยวผมวันนี้ผมตั้งชื่อว่าทําข้อใดสําคัญที่สุดครับเพราะว่าตัวผมเองรู้สึกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลากหลายมากนะครับทีนี้ก็มีธรรมหมวดต่างๆเยอะแยะ้งหมดผมก็อยากจะกลับเปเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าทำข้อใดของศา ส, สนาเราที่ที่พระอาจารย์คิดว่าสําคัญมากที่สุดนะครับผมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก็ทรงตรัสว่าทำที่สําคัญที่สุดก็คือสติ พถ้าขาดสติแล้วจะไม่สามารถทำอะไรให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ทรงเปรียบเทียบสติว่าเป็นเหมือนกับรอยเท้าชา้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่าสัตว์ทุชนิดนี้รอยเท้าของสัตว์ทัชนิดนี้จะเล็กกว่ารอยเท้าชา้างความสำคัญของสติก็คือถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถกำลังทำชนิดต่างๆได้ น, นั่นเอง ตัวอย่างของการไม่มีสติก็คือคนตายคนตายไม่มีสติคนนอนหลับก็ไม่มีสติคนบ้าก็ไม่มีสติคนเมาสุราก็ไม่มีสติที่จะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้นี่แหละคือทำที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดในบรรดาทำเท่าไหรยจำเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้นาหน้า ทำท่างหลายถึงจะปรากฏขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นการทำทานไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาจำเป็นจะต้องมีสติคอยควบคุมบังคับจิตให้กระทำหน้าที่ต่างๆเหล่ า, านี้ถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมคบังคับให้รักษาศีลให้ทำบุญทาทานให้นั่งสมาธิให้เจริญปัญญาได้นั่นเอง กลับกับพระคุณครับอาจารย์ครับผมจะขอเอาคําถามที่ เ, เพื่อนๆฝากถามกันมานะครับจากคุณพัทรพรครับอาจารย์ครับบอกว่าไม่ทราบคำถามหมอหรือท่านพระอาจารย์ดีว่าถ้าเรากําหนดพุดโทโธมีสติอยู่กับสิ่งที่ทําโดยไม่ใช้สมองในการวิเคราะห์จะทําให้เราเป็นอัลไซเมอร์ไหมครับคือเราต้องเข้าใจว่า <c oughs> เวล า, าทำำลํากําหนดพุดโทโธครับกำหนดสตินี้เป็นช่วงระยะหนึ่งไม่ได้ว่าเราจะทำอย่างนี้ไปตลอด เราต้องการจเจริญสติเพื่อให้มีกําลังควบคุมจิตใจควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ต่างๆได้แล้วเมื่อเราสามารถควบคุมได้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพุทโธพุทโธมันจะเป็นโดยอัตโนมัติของมันสติจะอยู่ในปัจจุบจิตจะอยู่ในปัจจุบันจะไม่รอยไปรอยมาจิตจะรู้ทุกขณะว่ากําลังทําอะไรอยูโดยอัตโนมัติ นั้นจิตจะไม่มีวันลืมไม่มีอัลไซเมอร์กับคนที่มีสติสมบูรณ์คนที่มีอัลไซเมอร์แสดงว่าสติเริ่มเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าไม่มีสติแล้วก็ก็จําอะไรไม่ได้หลงลืมไปหมดแต่ถ้ามีสติแล้วไม่มีวันที่จะลืมก็มีสิ่งที่อาจจะลืมได้บ้างเช่นชื่อคน หรือเหตุก็วันเดือนปีอะไรต่างๆแต่จะมีสิ่งที่จะไม่มีวันเดืมก็คือพระอริยสัจสี่ายรักอย่างนี้เป็นต้นคำถามจากคุณอุ๊ครับอาจารย์ครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิทุกวันใจยังไม่ค่อยสงบ mm hmm. เวลานอนก็ยังฝันมากทุกคืนควรแก้ไขอย่างไรคะเพื่อต้องเจริญสติให้มากๆ ต้องเจริญตลอดเวลาเท่าที่จะทำได้ตั้แต่ตื่นจนหลับจะใช้การบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือคอยเฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ไดเ้เพื่อดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้รับรู้แต่เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ให้ไปรับรู้เรื่องของความคิดปรุงแต่งต่างๆเมื่อจิตอยู่ในปัจจุบันความคิดปรุงแต่งก็จะหยุดไปเอง พอเวนานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้อย่างง่ายดายเวลานอนก็จะไม่ค่อยฝันเท่าไรนั้นพยายามควรเจริญสติให้มากๆตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยหรือเฝ้าดูว่าเราร่างกายของเรากำลังจะทําอะไรให้เฝ้าอยู่กับร่างกายไปตลอดเวลาอย่าไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆ แล้วต่อไปจิตจะไม่คิดมากเพราะทุกครั้งที่คิดถ้ามีสติก็จะหยุดได้ทันทีแล้วเวลานอนก็จะนอนหลับง่ายแล้วก็จะไม่ฝันนั่งสมาธิก็จะนั่งสงบได้ง่ายนี่คือประโยชน์ของการฝึกสติจากคุณนิภาวันครับอาจารย์ครับถามว่าวิธีปล่อยวางในความผิดพลาดในอดีตครับอาจารย์ ก็อย่าไปคิดถึงมันถ้ามันผ่านไปแล้วก็ให้เที่ยมันผ่านไปคิดว่าเป็นเหมือนความฝันเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปในอดีตไปแก้ไขมันได้แต่สิ่งที่เราจะสามารถทําได้จากสิ่งที่เป็นอดีตก็คือเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็อย่าทําซ้ําอีกเท่านั้นเองอดีตที่เราผ่านมานี้เป็นอาจารย์ของเราเป็นครูสอนเราว่าอะไรถูกอะไรผิด เมื่อเรารู้ว่าเราผิดเราก็อยากไปทําซ้าอีกอดไปให้มีสติคอยเฝ้าดูในปัจจุบันว่าเราควรจะกลับไปทําเหมือนกับที่เราเคยทำมาในอดีตหรือไม่ถ้ า, าจะทําเราก็หยุดหนึงเสียพกเท่านั้นเองคําถามจากคุณสืบศักดิ์ครับกราบพระอาจารย์ครับการรดน้ำมนต์การสะดรเคราะห์ควรทําให้ได้ผลทําอย่างไรดีครับอย่าไปทํามันเลยมันไม่ได้ผลหรอก เพราะว่าเดชเชื่ออยู่ที่การกระทำของเราถ้า อ, อยากให้ชีวิตเราดีขึ้นทําบุญเยอะๆทําความดีเยอะแล้วก็ น, าานกัการกระทำเชั่วรักษาศีลให้บริสุทธิ์ละอบายมุกต่างๆแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่สุขมีแต่ความเจริญเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ คำถามจากคุณจันจิราครับอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะสี่ห้าถ้าเราขาดข้อใดข้อหนึ่งไปด้วยความจําเป็นบางอย่างในชีวิตแต่เราได้พยายามปฏิบัติข้ออื่นอย่างเคร่งครัดแบบนี้จะได้บุญหรือบาปคะข้อที่เราไม่ได้รักษามันก็บาปข้อที่เรารักษาได้มันก็เป็นบุญถ้าเราเปรียบเทียบศีลเหมือนกับแขนขาของเรานี่ถ้าเรา ความผิดสีลข้อหนึ่งก็เหมือนเราตัดแขนไปข้า ง, างนั่นงี้ดังั้นถ้าเราต้องการให้ศีลเราสมบูรณ์เราก็อยากไปขาดมันถ้าขาดมันแล้วมันก็ขาดบุญไปส่วนนั่งไปเพราะการรักษาศีลแต่ละข้อนี้ถือว่าเป็นบุญพอไมไ่รักษาศีลก็ถือว่าเป็นการกระทําบาปไปคําถามจากคุณนิุบุญครับอาจารย์ คนที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พุทธเมื่อตายไปแล้วเราใส่บาตรได้เขาจะได้บุญไหมคะได้ถ้าเขารับบุญอยู่คือศาสนาพุทธนีไม่ได้เป็นศาสนามันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นจิตศาสตร์มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่เป็นสเป็นเรื่องของสากลตจิตของผู้ที่ตายไปแล้วบางท่านก็จะมาคอยรับส่วนบุญ ใครจำบุญอุทิศให้กับจิตดวงนั้นเขาเขาก็จะสามารถรับบุญได้ไม่ว่าจะเขาจะนับถือาศาสนาอะไรหรือไม่ก็ต า, ามคำถามจากคุณดันทิพรครับอาจารย์การที่เรานึกถึงบุญที่ทำอยู่ตลอดเวลาวงเล็บเช่นสถานที่อย่างนี้เรียกว่ายึดติดไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเร า, เราเนึกถึงมันทำไม ถ้าระลึกถึงเพื่อที่จะเตือนให้เรากลับไปทําบุญอีกก็ถือว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าระลึกเฉยๆโดยที่ไม่ได้ไปทําบุญเพิ่มมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้ว่ายึดติดหรือไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราดูที่ประโยชน์ว่าการคิดอะไรของเรานี้คิดเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าคิดแล้วไม่เกิดประโยชน์การจะคิดที่จะทําให้เราเกิดประโยชน์ก็คือถ้าเราคิดถึงสถานที่ที่เราเคยไปทําบุญแล้ว แล้วเราก็อยากจะกลับไปทำบุญอีกแล้วเราก็ไปทำตามที่เราคิดอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ถ้าคิดเฉยๆแล้วไม่ไปทำบุญต่อก็ไม่เกิดประโยชน์เลยคำถามจากคุณอุสณ<ม>นภ า, านะครับกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาที่เราด่าทอกันหรือมี hate speech ใส่กันในโลกออนไลน์เป็นการสร้างภพภูมิของอบายหรือไม่คะก็เป็นการสะสมความโกรธเปลี่ยนอยู่ภายในใจ จึงจะเป็นแล้วอาจจะระเบิดขึ้นมาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยการกระทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตบตีกันฆ่าฟันกันขึ้นมาอย่างนั้นมันก็จะส่งให้จิตไปสุขสบายทันทีจากคุณพิทยาครับสวัสดีครับหน่อยอยากให้ช่วยบอกกับคนที่คิดฆ่าตัวตายที่มีทุกวันนี้ครับอาจารย์ครับให้กําลังใจ ย, ยังไงดีครับคือปัญหาของคนที่ฆ่าตัวตายนี้มันเกิดจาก การไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากได้อยากทกาการไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้การไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาในใจนั่นวิธีที่จะแก้ปัญหาคือต้องมาแก้ที่ความเครียดด้วยการลดละความอยากของเราให้น้อยลงไปเมื่อก่อนเราอาจจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เพราะเรามีเงินมีทอง แต่ตอนนี้เงินทองเราไม่พอใช้ไม่มีมากพอเราก็ต้องหักห้ามจิตใจเราอย่าไปอยากทาในสิ่งเหล่านั้นเก็บเงินทองเอาไว้ใช้กับสิ่งที่จาเป็นคือการดำรงชีพใช้กับปัจจัยสี่แล้วถ้าเราเคยใช้ปัจจัยสี่อย่างฟุ่มเฟือยเราก็อาจจะต้องลดปริมาณหรือลดคุณภาพลดราคาของปัจจัยสี่ให้น้อยลงไปเพื่อที่เราจะอยู่ได้ ถ้าเรารู้จักลดละความลภความอยากต่างๆของเรารู้จักเพิ่มความมากน้อยสันโดษขึ้นมาภายในใจเราก็จะไม่มีปัญหาต่อการขัดแคลนเราก็จะไม่มีความเครียดที่เครียดเพราะเราเคยใช้มากกินมากใช้ของแพงๆอยู่แบบหรูหราพอเราไม่สามารถที่จะอยู่แบบนั้นได้ก็เกิดความเครียดขึ้นมาแล้วก็ ความเครียดนี้ก็จะทรมาใจจนกระทั่งอยากจะข้าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหามันเพียงแต่เป็นการหนีปัญหาชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าตัวความโลภความอยากต่างๆตัวความฟุ่มเฟ้อความฟุ้งเฟ้ออะไรต่างๆมันยังอยู่ในใจแล้วมันก็จะเวลากลับมาเกิดใหม่มันก็จะกลับมามีความโลภความอยากมีความฟุ้งเฟ้อความ ฟุงเฟ้หิหหการใช้ของราคาแพงแพงอะไรต่อไปอีกแล้วก็จะเจอปัญหาต่อไปได้เวลาที่ไม่มีเงินมีทองไม่สามารถหาเงินทองมาสนับสนุนความโลภความอยากได้ก็จะเกิดความเครียดแล้วก็จะฆ่าตัวตายอแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นถ้าเราไม่มาแก้ที่ต้นเหตุของความเครียดก็คือลดละความอยากของเราให้น้อยลงไป สร้างความมากน้อยสันโดษขึ้นมาให้มีความมากน้อยคือต้องการของน้อยๆเท่าที่จำเป็นไม่ต้องการมีอะไรมากเกินความจำเป็นแล้วจะทำให้เรานี้ไม่ต้องดิ้นหนนหาเงินหาทองมาสนับสนุนความโลภความอยากต่า ง, งๆที่จะมาทำให้เราเครียดเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหามาได้นั่นเองนั้นมาแก้ปัญหาที่ใจของเรา ที่กิเคือความโลภความอยากความฟุ้งเฟ้อความสุรุย uh สุรายความไม่มีความมากน้อยสัมโดดนี้คำถาที่เป็นปัญหาคำถามทีเข้าสถานการณ์ไปครับอาจารย์ครับกุณคุณลัชนีครับถ้าเราติดโควิดจริงจะเตรียมตัวตายยังไงถึงจะมีความสุขฝากถามพระอาจารย์ค่ะก็ต้องหยุดชิดทำใจให้สงบแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริง ว่าร่างกายของเรานี้ เ, เมื่อเกิดมาแล้วมันไม่ว่าจะโดนโรคชนิดไหนก็ตามมันก็จต้องตายวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าไม่ตายเพราะโควิดมันก็ตายด้วยโรคอย่างอื่นหรือโรคชราแต่ที่อย่างหนึ่งคือร่างกายนี้ความจริงมันไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเหมือนคนมอบใช้เราเราผู้ใช้ร่างกายคือผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เนี่นเราก็เพียงแต่ปล่อยวางร่างกายให้มันเป็นไปตามสภาพของมันถ้ามันจะอยู่ไม่ได้มันจะตายต้องปล่อมันตายไปปัญหนาของเราก็คือเราไปหลงคิดว่ามันเป็นเราแล้วเราก็เลยอยากไม่ให้มันตายความอย่ากนี่แหละที่ทําให้ใจเราเครียดทําให้ใจเราทรมานนี่นเราต้องมาหยุดความอยากหยุดความทรมานนี้ด้วยการฝึกจิตด้วยการเจริญสติหยุดความคิดทําจิตให้นิ่งให้สงบ การหยุดจิตได้ทำให้จิตสงบนิ่งได้หยุดความอยากไม่ตายได้เวลาร่างกายตายเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนต่อเนึ่งนลครับจากคุณนัดช่างแต่งหน้าครับจากธรรมสการค่ะพระอาจารย์การฝึกมรณานุสติควรฝึกแบบไหนคะก็ให้เราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยเช่นสอนตัวเราว่าเกิดมาแล้วเ ร, เราต้องตาย รวมพนความตายเปิดไม่ได้แล้ความตายนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่มีใครสามารถไปกำหนดได้อาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะตายวันอืนนี้ก็ได้การเจริญนี้เพื่อเป็นการสอนไม่ให้เราลืมความตายถ้าเราไม่รอกถึงความตายเราจะลืมแล้วเราจะหลงหลงว่าเราจะอยู่ไปนานๆเราจะไม่ตายเพราะเราไปพบ กับความตายขึ้นมาเราจะตกใจเราจะกลัวกันอย่างมากแต่ถ้าเรามันสอนใจอยู่เรื่อยๆให้เรารู้ว่าร่างกายนี้จะต้องตายแล้วก็ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราจะได้เตรียมตัวปล่อยวางร่างกายพอเวลาร่างกายจะตายขึ้นมาเราก็จะไม่ตื่นเต้นตกใจเราก็จะไม่ถูกกับความตายของร่างกายได้ คำถามจากคุณชิวซองลีครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ผมพิจารณารมโดยใช้เหตุและผลถึงเวลากิเลสก็กลับมาอีกเรื่องเดิ ม, ดมแปลว่าต้องมีการดูที่สิ่งที่เป็นนอกเหตุเหนือผลใช่ไหมครับคือเราต้องมองตายรักต้องดูตาลักในสิ่งที่เราอยากได้ไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นของชั่วคราวมันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเราไปตลอด แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของใหม่มันก็จะกลายเป็นของเก่าไปพอมันเก่าความสุขที่เคยได้รับจากของใหม่มันก็จะหายไปพอมันความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่ถ้านึงบอกให้พิจารณาความไม่เที่ยงควนไม่เที่ยงนี่จะนําไปสู่ความทุกข์เพราะว่าเราต้องการให้ของต่างๆที่เราอยากได้นี้มันเที่ยงมันดีมันอยู่กับเราไปตลอด แต่ไม่มีอะไรจะดีไปตลอดไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่จะต้องเสื่อมที่จะต้องกายจากของดีกลายเป็นของไม่ดีไปคนก็จะกลายแบบกลายเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายไปให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถรังับความอยากต่าาๆได้ คุณทิพพนีครับกราบนำ้ำมการพระอาจารย์ค่ะอยากได้คาถาทำจิตใจให้สงบค่ะพุโทโธนี่เลยคาถาที่วิเศษที่สุดง่ายที่สุดก็พุโทโธเนี่ยท่องพุโทโธไปเรื่อยๆภายในใจแล้วใจจะเย็นใจจะสงบได้อย่างม่ได้คคำถามจากคุณธนกรครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะแม่ดูแลตาที่ป่วยตาไม่ยอมกินยา แม่ต้องบังคับใช้มือบีบปากตาแบบนี้จะบาปไหมเจ้าคะคือถ้าเราไม่ได้ไปทาให้เขาเสียหายเดือดร้อนมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปแต่อาจจะไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาบังคับเขาให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำและอาจจะมีผลกระทบกลับมาหาเราคือทนที่เขาจะรักชอบเราก็อาจจะเปลี่ยนเราก็ได้ จากคุณธีรติครับถ้าป่วยติดโควิดอยู่จะมีธรรมะข้อไหนที่สามารถนามาใช้เพื่อให้ผ่านไปได้บ้างครับก็นี่แหละค ว, ความจริงคือปัญญาคือว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยมยังไงยังไงมันก็ต้องแก่เจ็บตายไม่ช้าก็แล้วแต่มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราที่เราจะไปควบคุ ม, มครับไปสั่งให้มันดีไปตลอดได้มันจะต้องเสื่อมมันจะต้องแก่ต้องเจ็บ ต้องตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยมันอย่าไปอยากยให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราก็จะผ่านไปได้อย่างสบายจากคุณพัทรพรครับถ้าเราไม่อยากเวียนไหวตายเกิดแค่เราไม่เบียดเบียนใครพยายามไม่ทําบาปทําความดีและทําบุญแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ แต่พยายามมีสติกับสิ่งที่ทำตามที่พระอาจารย์สอนเราจะสามารถหลุดพ้นเวียนไหวตายเกิดไหมคะไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องฝึกสติจนสามารถนั่งสมาธิได้ทำจิตให้สงบเป็นอุเบกขาให้ได้แล้วเราก็ต้องไปเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากต้องการนี้มันเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขงังอนิจจตาแล้วเราก็จะได้หยุดความอยากต่งางๆที่มีอยู่ในใจของเราได้ อย่างนั้นแหะถึงจะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียายตายเกิดได้เหตุที่พายเรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี่เราต้องหยุดทั้งหมดให้ได้จะหยุดมันได้ก็ต้องเห็นใจรักในสิ่งที่เราอยากได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้แล้วก็ต้องมีอุเบกขาที่จะหยุดใจหยุดความอยากถึงแม้บางทีเห็นแต่ก็ยังอดไม่ได้แต่ถ้ามี ผูเบิกขาในใจที่เกิดจากสมาธิก็จะหยุดได้เมื่อเห็นว่ามันเป็นถูกพรอาจารย์ครับวันนี้ขออนุญาตอ่านนะครับเพราะว่ามันข้ามไปแล้วมันตัดไปเลยครับพอาจารย์ครับคอมเมนต์ไม่เห็นจากคุณแป้งจิดาภาครับกราบธรรมสการพระอาจารย์เรียนถามว่าถ้าเราปฏิบัติศีลห้าได้บริบูรณ์และปฏิบัติสมาธิจเจริญปัญญาแต่ยังไม่ถึงพระโสดาบันเมื่อตายไปเกิดในภพภูมิอื่น เราจะมีสิทธิ์ตกอบาอีกไหมคะในชาติต่อไปครับถ้ากลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วกลับมาทําบาปใหม่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะตกไปในบายได้ต่อไปเพราะว่าศิลงที่เรารักษานี้มันยังไม่มั่นคงถาวรจะมั่นคงถ่อว่าต่อเมื่อเรามีปัญญาเป็นผู้สอนจิตให้รักษาสิ่งปัญญาจะสอนอะไรเห็นอย่างชัดเจนว่าการทาบาปนี้เป็นเหตุของการ นำความทุกข์มาให้แก่จิตใจนำพาจิตใจให้ไปเกิดในอบายถ้ายังไม่ถึงขั้นสสดาบันนี่ยังไงก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาทำบาปได้แล้วก็ตายไปก็จะไปรับผลบาปในอบายต่อไปได้คาถามจากคุณอาทิตย์ครับปราภะอาจารย์ครับเวลาเห็นข่าวไฟป่ามีสัตว์ล้มตายอยากช่วยเหลือแต่ทำอะไรไม่ได้ อยากทราบว่าพระอริยสงฆ์ที่กำลังจิตสูงท่านสามารถใช้กำลังสมาธิช่วยเหลือบรรเทาได้บ้างไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่าสมาธินี้เป็นเรื่องของจิตใจ <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟนั้นกำลังพลังของสมาธินี้ไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้ไฟไหม้หรือสั่งให้ฝนตกหรือห้ามไม่ให้น้ท่วมได้าลังสมาธินี้ห้าม ใจไม่ให้ไปทาตามกิเลได้เท่านั้นเองจากคุณตามุตามี2009ครับเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบจะทำให้เราอารมณ์ไม่ดีต้องคิดอย่างไรดีถึงจะไม่เป็นแบบนี้คะก็ต้องคิดว่าในโลกนี้มันมีทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะไปเลือกเอาแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวไม่ได้ เน่เราก็ต้องฝึกถึกใจของเราให้รู้จักวางเฉยเลวลาเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ควรจะวางเฉยการที่จะทําให้จิตเราวางเฉยได้เราก็ต้องฝึกสมาธินั่นเองทําจิตให้เป็นอุเบกขาถ้าจิตเรามีอุเบกขาแล้วเวลาเราเจอสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบเราจะวางเฉยได้แต่ถ้าเราไม่มีจิตของเราก็จะเก้งไปเก่งมาตามความชอบและความไม่ชอบ คำถามจากคุณแป้งครับรกราบธรรมสการพระอาจารย์ค่ะขอถามต่อนะคะถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่ตลอดเวลายังไม่เข้ากระแสพระนิพพานเกิดชาติหน้าเราจะมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้อีกหรือเปล่าคะก็เขึ้ี่ยเขารอกว่าการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาของเรานี้อ่มันฝังลึกมากน้อยอยู่ในใจของเราคือเราได้ปฏิบัติมากน้อย ถ้าปฏิบัติมากโอกาสที่จะไ ป, ไปทําต่อมันก็มีมากกว่าถ้าปฏิบัติน้อยพอก า, ารกระทงเรานี้ถ้าทําซ้ำๆทําบ่อยๆทามากๆ ม, มันก็จะกลายเป็นนิสัยแล้วถ้าทํามากกว่า น, นั้นก็จะกลายเป็นสันดาลขึ้นมาถ้ามันเป็นสันดาลแล้วเราก็จะสามารถทําต่อไปได้เรื่อยทุกพกทุกชาติแต่ถ้าเป็นนิสัยบางทีมันก็อาจจะจางหายไปได้ งั้นพยายามไปปฏิบัติสิ่สมาธิปัญญาให้มากๆให้ตลอดเวลาแล้วมันจะฝังลึกเข้าไปในใจของเราพอเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะปฏิบัติต่อได้จากคุณสานะดีครับขอถามพระอาจารย์ค่ะการสวดมนต์การนั่งสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาใช่ไหมคะใช่การภาวนานี้แบ่งเป็นสองขั้นตอนด้วยกัน ขั้นแรกเรียว่าสมถะภาวนาขคือทําใจให้สงบขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาการศึกษาสอนใจให้เห็นความเป็นจริงของในอริยสัจสี่และในใ น, ในตายรักคืออนิจจังทุกขังมรัตตาการสวดมนต์การนั่งสมาธินี้เป็นการเจริญสมถะภาวนาการสวดมนต์นี้เป็นการเจริญสติ เพราะการที่ก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติมาถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปใจก็จะโฟุ้งจะไม่สมบดังนั้นบางทีถึงต้องมีการสดมลก่อนเพื่อกล่องใจให้มีสติขึ้นมาปลุกใจให้มีสติขึ้นมาพอมีสติพอที่จะควบคุมจิตให้ดูลมหายใจเข้าออกได้จิตก็จะสามารถเข้าสู่สมาธิได้อันนี้เรียกว่าสมถะภาวนา คำถามจาคุณลาเลนครับอยากถามพระอาจารย์ไปฉีดวัคซีนคุณหมอบอกหายใจเข้าหายใจออกแล้วแต่ตัวเองกับท่องพุทโธพุทโธด้วยความเคยชินแบบนี้จะเป็นบาปไหมคะที่ใช้ไม่ถูกที่ถูกทางขอบคุณค่ะบไม่บาปหลอกใช้ได้ทั้งสองอย่างทนทดแทนกันได้จะหายใจเข้าหายใจออกก็ได้หรือจะท่องพุทโธพุทโธไปก็ได้เป็นบุญทั้งสองอย่าง <c oughs> คำถามจากคุณพัชสิริครับกล่าวพระอาจารย์ขอถามค่ะเวลาเราสวดมนต์ก่อนนอนตอนนั่งสมาธิไปและสวดด้วยโดยไม่ได้พนมมือสวดในท่านั่งสมาธิผลคือจิตสงบกว่าที่เคยสวดมาเพราะตัดความกังวลเรื่องมื อ, อไปแต่จะเป็นการไม่เคารพหรือเปล่าคะ อ, อ๋อไม่ไม่เป็นการไม่เคารพหรอกเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ถือเป็นการแสดงความเคารพอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นการปฏิบัติบูช า, างั้น อาการของทางร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัววัดว่าเราเขารบหรือไม่เคารบแต่อยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราจเจริญสตินั่งสมาธิหรือจเจริญปัญญานี้เรียกว่าเรากําลังทําปฏิบัติบูบชาใ น, นร่างกายของเรานี่จะอยู่ในท่าไหนในลักษณะไหนก็ได้ไม่เป็นปนัญหาแต่อย่างใดคำถามจากคุณกเกษมวัดครับ กลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะชาวพุทธจําเป็นต้องมีสารพระภูมิไว้ที่บ้านไหมคะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ ะ, ะไม่จําเป็นห ร, ราชาวพุทธสิ่งที่มีความจําเป็นก็คือต้องมีทานมีศีลภาวนาอยู่ในใจเท่านั้นเองจากคุณจันจีราครับอาจารย์กลับเรียนพระอาจารย์ค่ะการทําบุญกับทําทานได้บุญต่างกันไหมคะได้เท่ากันคือทําบุญกับทาทานก็คือแปรว่าการให้ เพียงแต่ว่าเรามาแยกใจการทําบุญคือการให้ของกับพระเราก็เรียกว่าเป็นการทําบุญแต่เวลาเราให้กับศรัทธายาโยมด้วยกันเราก็เรียกว่าเป็นการทําทานแต่มันก็เป็นการให้เหมือนกันผลที่เกิดจากการให้ก็คือความสุขใจอิ่ใจก็เหมือนกันทําทบุญสิบบาทกับพระทําบุญสิบบาทกับคารวะให้ขอทานก็ได้บุญเท่ากันได้ความสุขใจอิ่ใจเท่ากัน คนถามจากคุณรุ่งณภาครับทําบุญตัดบาตแล้วกรวดน้ําแห้งญาติที่ร่วงลับไปแล้วจะได้รับบุญไหมคะได้ถ้าเขาเรอรับอยู่ไม่จําเป็นจะต้องมีน้ําเพราะน้ํานี้ไม่ใช่เป็นตัวบุญตัวบุญก็คือความอิ่มใจสุขใจที่มีอยู่ในใจเราที่เราสามารถดูดซึมได้ด้วยความระลึกถึงไปในใจของเราไปจากคุณสายสุนีครับ ตาเป็นถามผู้อาจารย์ค่ะบุญอะไรที่เราทําแล้วจะสามารถอุทิศบุญไปถึงบรรพบุรุษหรือญาติที่ค่าตัวตายได้คะก็บุญที้เกิดจากการทาทานนี่แหละเพียงแต่ว่าผู้รับนี่อาจจะไม่สามารถรับได้นั่นเองเพราะว่าบุคคลที่จะสามารถรับบุญได้นี่มีอยู่ประเภทเดียวก็คือพวกเปรตนี่ถ้าเป็นสัตว์ในราชาเขาก็มารับส่วนบุญนี้ไม่ได้ถ้าฆ่าตัวตายไปตกนรกก็รับส่วนบุญนี้ไม่ได้ ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็มีบุญมากฝว่าบุญที่เราอุทิศไปให้เขาก็ไม่มารอรับส่วนบุญบุญทิศนี้มีแต่เพรท่นั้นที่เปรียบไปเหมืนขอทานทางจิตวิญญาณที่สามารถที่จะมารอรับส่วนบุญที่เราอุทิศไปได้จากคุณพัดน์เอครับถ้าขณะภาวนาพุทโธจิตใจชอบเผลอไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่ภาวนาควรทําอย่างไรดีคะ ก็ดึงจิตให้กลับมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธท่องพุโทโธไปก่อนก็ได้ถ้าดูลมแล้วจิตมันเสื่อไปคิดเรื่องนั้นตรงนี้ก็ให้มันคิดแต่คําว่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจจนกว่าจะจิตจะหยุดคิดแล้วค่อยมาดูลมหายใจต่อก็ได้จากคุณอุค้ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะระหว่างการทําบุญใหญ่เช่นเป็นเจ้าภาพกรถิน่นการสร้างเจดีย์กับทําบุญเล็กน้อยแต่ทํากับพระอาริยะ ผลที่ได้แตกต่างกันไหมคะคือผลที่ได้จากการทำบุญนี้มีสองส่วนอย่างที่เคยอธิบายฟังส่วนที่ผู้ผู้กระทำจะได้คือเช่นบอยจากเงินทำบุญไม่ว่าจะเป็นบุญใหญ่บุญน้อยบุญจะได้มากได้น้อยไม่ได้อยู่ที่ชนิดของบุญที่เราทำแต่อยู่ที่ปริมาณของการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเรา เมมติว่าเราทําบุญร้อยบาทคับเป็นเจ้าภาพกรถินหรือสร้างเจดีย์หรือทําบุญร้อยบาทกับการใส่บาตรก็จะได้บุญได้ผลบุญเท่ากันคือปริมาณเงินที่เราเสียสละไปมันเท่ากันความรู้สึกที่เกิดจากผลได้การเสียสละนี้ก็จะเท่ากันหรือความสุขใจอิ่มใจไม่ว่าจะเป็นการจะทําบุญแบบไหนชนิดไหนก็ตามผู้ที่จะได้รับผลบุญนี้ ต้องอยู่ที่อยู่ที่การกระทาของตนอยู่ที่การให้ของตนว่าให้มากให้น้อยให้มากก็จะได้บุญมากให้น้อยก็จะได้บุญน้อยส่วนบุญที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งเป็นคนละส่วนกันบุญนี้เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยเชนั้นเราไปทำบุญกับพระอริยะเราก็จะได้บุญที่เกิดจากการฟังเทศน์งทรา อาจจะทําให้เราบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเราไปทํากับบุญกับคนที่บุคคลที่ไม่เป็นพระอริย <c oughs> เขาก็จะไม่มีธรรมมาสอนเราให้เราเป็นพระอริยได้อันนี้ต่างกันบุญที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราไปทำํำบุญด้วยนี่ต่างกันบุญที่เราจะได้รับจากการเสียสละของเรานี้เท่ากันถ้าเราเสียสละงเงินเท่ากันเราก็จะได้ผลรับเท่ากนันมามาโกงจะเข้าใจ จากคุณทีครับกราเปียนถามพระอาจารย์ในบ้านมีคนมาทักเรื่องเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆจึงควรทําบุญบ้านด้วยการประพรมน้ำมนต์การทําเช่นนี้จะช่วยบรรเทาเหตุการณ์ลงได้หรือไม่ครับไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ได้เป็นการไปแก้ปัญหาอะไรต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนี้มันมีเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ว่าสาเหตุว่าประกอบจากอะไรเราก็จะไปแก้กันไม่ได้ แต่การปราบผมน้ํามนต์ทำบุญบ้านนี้ไม่ได้ไปทําให้เหตุการณ์ที่ไม่ดีนั้นหายไปมันไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันจากคุณธีราพรครับกราบพระพิารเจ้าขาหลวงพ่ออยากทราบว่าเวลาสวดมนต์ก่อนนอนบางทีไม่ได้ใส่ชุดขาวบางทีก็ใส่ชุดนอนสวดจะดูไม่ดีไหมเจ้าคะถ้าเราอยู่ในสุในในที่ที่เราไม่ได้พบปากกับคนนี้เราจะใส่ชุดไหนก็ได้ไม่ใส่อะไรก็ได้ ไม่ไม่สำคัญการใส่เสื้อผ้าใี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปอยู่ในขณะนั้นถ้าเราอยู่กับสถานที่ที่เขาบังคับให้ใส่ชุดขาวเราก็ต้องใส่ชุดขาวเท่านั้นเองเป็นเครื่องแบบไม่ได้มีความสําคัญเกี่ยวกับผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรมแต่อย่างใด จากคุณเอกครับขออนุญาตสอบถามครับเวลาคิดถึงความตายเช่นแป๊บๆอายุเรามาขนาดนี้แล้วหรืออีกไม่นานก็ต้องตายแล้วสินะเกิดอาการหดหูมากแบบว่าเรารู้สึกจะตายแล้วจริงๆแบบนี้คืออะไรครับสาธุครับคือกิเลสเนี่ยกิเลสของเราไม่ยอมไม่ไม่อยากให้เราตายไม่อยากให้ร่างกายตายงั้นบางทีเราก็ต้องพยายามฝืนสอนใจไวดาเร็ด ถ้ามันสอนอยู่เรื่อยๆใจก็อาจจะค่อยๆน้อมรับความจริงอันนี้ได้ว่าจะจะจะอยากไม่ตายหรือไม่ก็ตามความตายมันไม่สนใจมอนจะร่างกายของทุกคนทุกคนจะต้องตายแล้วถ้าจะให้ดีเธอทำให้ใจไม่รู้สึกขนหง ก, ก็คือต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบก่อนพอเวลาใจสงบใจจะมีอุเบกขาใจจะไม่มีอารมณ์ต่างๆ เวลาที่เราคิดถึงความตายความหมดหู่ก็จะไม่เกิดขึ้นมายจากักขุตอุสรีครับกราบน้ำระสการค่ะพระอาจารย์ถ้าเราถวายสังฆทานระบุชื่อผู้ตายคนเดียวแล้วอนิสงส์ผลบุญจากสังฆทานนี้ตัวผู้ทําจะได้บุญด้วยไหมคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะได้ก็การทําบุญนี้ส่วนใหญ่บุญนี้จะเป็นของผู้กระทําทส่วนบุญที่อุทิ่นี้เป็นเหมือนบุญที่เราแบ่งไปให้กับผู้ที่ต้องรับไปแล้ว ซึ่งเป็นส่วนน้อยจากคุณนาราแฟม น, นะครับกาับเรียนถามพระอาจารย์สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดนั่งสมาธิท่องพุทโธมีเทคนิคอย่างไรให้จิตนิ่งและไม่ฟุ้งซ่านเหมือนง่ายแต่ยากที่จิตจะนิ่งอยู่กับค บ, บริกรรมพุทโธแม้เพียงแค่ห้านาทีสิบห้านาทีครับเราก็ต้องพุทโธต้องท่องพุทโธไปทั้งวันก่อนอย่ามาเพิ่ง ม, มาท่องพุทโธตอนที่เรานั่งสมาธิเท่นั้นเองต้องหัดท่องพุทโธไปทั้งวันเลย ท่องหลายๆชั่วโมงเนี่ยแล้วแต่ลืมตาขึ้นมาถ้าเราไม่จําเป็นจะ่ชจะต้องใช้ความคิดก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปในขณะที่เราล้างหน้าแปลงควาอาบน้าอาบท่ารับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวการกระทบบาําต่างๆนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ความคิดมากเราก็สามารถท่องพุโทโธพุโทโธไปควบคู่ไปได้เราต้องฝึกทําอย่างนี้แล้วพอเวลามานั่งสมาธิเราก็จิตก็จะอยู่คําพุโทโธพุโทโธ แล้วก็จะทำให้จิตสงบได้อย่างไ่าได้จากคุณยศสวัสน์ครับทำไมการฝึกให้หลุดพ้นยากแท้มีวิธีง่ายไหมครับก็เพราะว่าเราชอบไม่เราไม่ชอบหลุดพ้นกันนั่นเองเพราะจิตของเรานี่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาที่ชอบให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์นี่งั้นมันเป็นสิ่งที่โดยการเป็นของยากไป แต่ถ้าเราไป ย, ยามฝืนมันอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะกลายเป็นของง่ายได้ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราฝืนมันไปเรื่อยๆต่อไปของที่มันยากมันก็จะกลายเป็นของง่ายขึ้นเลยคําถามจากคุณแพทครับฝึกสติด้วยการกําหนดลมหายใจด้วยตัวเองเพียงพอไหมคะจําเป็นต้องเข้าคอร์สกับครูอาจารย์หรือไม่คะมีคนว่าฝึกเองอาจารย์อาจจะเสียสติได้จริงหรือไม่คะ คือถ้าการเป็นการฝึกสติอย่างเดียวนี้เราไม่ต้องไปมีครูอาจารย์ก็ได้เพียงแต่คอยดูลมหายใจเขาเท่านั้นแต่ถ้าต้องการปฏิบัติแล้วเวลาปฏิบัติไปนี้มันอาจจะมีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาภายในจิตของเราซึ่งเราอาจจะไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติกับเหตุการณ์ตา่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในจิตของเราตอนนั้นเนะ่ยเราจงต้องมีอาจารย์ที่รู้เรื่องของการปฏิบัติ จะได้มาสอนมาบอกเราว่าอะไรเป็นอะไรแล้วควรจะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรถ้าไม่มีอาจารย์เราก็อาจจะเสียสติได้ถ้าเร า, เ, าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราฝึกสตินั่งสมาธิคาถามจาคุณโมมูครับถ้าเราหลับในขณะที่มีความทุกข์หากตายไปจะไปพบภูมิที่ไม่ดีใช่เปล่าครับมันไม่ได้อยู่ในขณะนั้นเพียงขณะเดียว มันอยู่ที่ผลรวมของบุญและบาปที่เราได้สะสมมาจนถึงเวลาที่เราตายถ้าถ้าผลรวมเป็นบาปมากกว่าบุญเราถึงจะไปอาบายแต่ถ้าผลรวมนี้เป็นบุญมากกว่าเป็นบาปเราก็จะไม่ไปอาบายเราก็จะไปสู่สุคติมันไม่ได้อยู่ที่ขณะสุดท้ายขณะนั้นขณะเดียวที่จะเป็นตัวชี้บอกว่าเราจะไปทางไหน มันอยู่ที่ผลรวมของบุญและบาปที่เราได้ทําไว้จากคุณคิมมี่คิมครับการสวดมนต์ในสภาวะปล่อยวางรูปนามในความไม่ใช่ตัวตนกับสวดมนต์ในสภาวะของสมาธิที่แนบแน่นแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาในการปล่อยวางจะได้กุศลแตกต่างกาันหรือไม่อย่างไรครับการสวดมนต์ก็เพื่อฝึกสติเพื่อทําจิตใจสงบเท่านั้นเองนะ ฉะนั้นจะสวดแบบไหนนี้เราไม่รู้เนี่ยจะสวดแบบรูปน้ำไม่มีไม่ใช่ตัวตัวนี้เราไม่ทราบว่าสวดอย่างไรหรือการสวด น, นี้เพื่อหยุดความคิดปุ้งแต่งไม่ให้จิตคิดปรุงแต่งเพื่อจิตจะได้นิ่งสงบเป็นสมาธิเท่านั้นเองในเวลาจิตสงบแล้วมันก็จะได้บุญเท่ากันแบบเดียวกันคำ ถ, ถามจากคุณจอมชัยครับใช้บทถวายพระพรพระ ไม่ถนัดใช้พุโทโธเพื่อให้ใจสงบขณะนั่งเจริญสติเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งซ่านใจจดจ่อกับบทสวดนั้นจนครบเวลาที่ตั้งไว้ประมาณครั้งละสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงใช้แทนกันได้ไหมครับได้แต่ควรจะนั่งต่อหลังจากที่เราสวดเสร็จแล้วจิตพร้อมที่จะนั่งสมาธิควรจะนั่งต่อนั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรมกรมพุทโธไปเพียงอย่างเดียวการสวดมนต์นี้เพื่อนำใจให้เข้าสู่การปฏิบัติ สมาธิต่อไปนั่นเองถ้าเราสวดแล้วเราเลิกมันก็ไปเพียงครึ่งทางเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือสมาธิความความสงบนิ่งของจิตใจคำถามจากคุณสารีมีครับเราคิดดีทำดีไม่ต้องไปวัดได้ไหมเจ้าคะคือวัดนี้ก็มันไม่ได้เป็นสถานที่ที่จะทำให้เราคิดดีหรือคิดไม่ดี การคิดดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจของเราเห็นถ้าเราคิดดีทดําดีเรามีความสุขเราก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้คุณจันจิราครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะปกติจะสวดอิติปิโสก่อนนอนทุกคืนแต่สวดแค่จบเดียวตามด้วยแผ่เมตตาแบบนี้จะมีผลอะไรไหมคะก็คุณสวดมาคนครจะรู้นะไม่ใช่ผลก็คืออาจจะทําให้คุณนอนหลับง่ายขึ้นก็ได้เท่านั้นเอง แต่ผลที่จะว่าเป็นเป็นสมาธินี้คงยังไม่เกิดเพราะผลที่เกิดจากสมาธินี้ต้องสวดนานสวดจนกระทั่งจิตสงบนิ่งอันนั้นนั่นเองจะเป็นสมาธิขึ้นมาได้คุณรัชชาลัตนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาได้รับบุญกับเราที่เราทําให้ครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่รู้เราทําเผื่อไวเท่านั้นเอง เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามียาอย่างทราบมีตาทิพย์หูทิพย์ที่สามารถที่จะติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้ถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่รู้ส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้กันเพราะคนที่จะมีหูทิพย์ตาทิพย์ได้นีม่มีน้อยมากแต่เราทำไปเผื่อเอาไว้เท่านั้นเองเผื่อเขามารอรับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขามักจะเขามักจะไม่มาถ้าเขามาเขาจะต้องส่งสัญญาณมาเช่นมาเข้าฝันหรือ มีการแสดงอะไรต่างๆที่แปลกประหลาดให้เราเหมือนกับบอกเราให้รู้ว่าเขาทาเรามาขอส่วนบุญของเร า, ถ, าถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะคมักจะไม่มีใครมารอรับส่วนบุญจากเราไปคําถามจากคุณทรงมูธครับกราบน้ัพสการครับธรรมชาติคืออะไรครับมีธรรมชาติได้อย่างไรครับวิสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ได้อย่างไรครับต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตมาจากไหนครับ ธรรมชาติก็คือสิ่งที่มันมันมันมันเกิดขึ้นมาจากการประสมปรุงแต่งของธาตุทั้งหกนี้เองคือธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้และอวกาศธาตุเนี่ยคือสิ่งของอย่างนี้ที่เป็นตัวประกอบของธรรมชาติเมื่อมีการประสมปรุงแต่งขึ้นม า, าก็ปรากฏมีโลกมีดวงอาทิตย์ดวงดาวมีอะไรต่างๆ ในแต่ละโลกในแต่ละดวงดาวนี้ก็อาจจะมีสัตว์มีบุคคลมีต้นไม้มีภูเขามีแม่น้ำนำทางอะไรต่างๆสิ่งเัล่นี้เขาเกิดขึ้นมาโดยโดยการประสมปูแต่งของธาตุทัท้งหมนี้ส่วนการเริ่มต้นของธาตุทัท้งลมนี้มาจากที่ไหนเมนื่อไหรนี้ไม่มีใครรู้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่ไปตลอดไม่มีเกิดไม่มีดับ คือธาตุแท้ทั้งหกนี้ไม่มีเกิดไม่มีดับใช่ไหมครับไม่มีเกิดไม่มีดับไม่อา จ, จมีการรวมตัวแล้วก็แตกสภาพไปเช่นนร่างกายของเรานี่ก็เป็นการรวมตัวของธาตุทั้งหกร่างกายของเราก็มีธาตุสีดินน้ำลมไฟแล้วก็มีอากาศสธาติาคือช่องว่างแต่ละแล้วก็มีจิตเป็นธาตุรู้มาประกบอบอีกชั้นหนึ่งแล้วเดีย๋ยวมันก็แยกทางกันไปแล้วก็ไปรวมตัวกันไปคุณกิ่งกมลครับ เหตุการณ์ในปัจจุบันที่เกิดโรคระบาดทั่วโลกทําให้เกิดความทุกข์ความเศร้าเดือดร้อนเป็นเพราะกรรมไหมคะเมือ่อเราเป็นธรรมชาติของของโลกนี้โลานี้เขาก็จะมีการสร้างมีการทําลายของเขาไปด้วยวิธีการใด ว, วิธีการหนึ่งเป็นปกติของธรรมชาติเป็นล่องของอนิจจังไม่เทีย่ยงมีการเกิดในการดับดับด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งไป มีอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เรามาเกิดและจะมีอย่างนี้ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วคำถามจากคุณโน้ตครับเคยทำความไม่สบายใจความขุ่นข้องหมองใจให้คนคนหนึ่งแต่ได้ขอโทษเขาแล้วขอยกโทษให้แล้วถือว่ายังมีบาปหรือไม่ครับคือบาปนี่ยกโทษกันให้ไม่ได้แต่การให้อาภัยนี้เป็นเพียงแต่การเขาไม่จองเวรเราเท่านั้นเอง อย่าโทษที่เราทําเช่นเราไปทําให้เขาไม่สบายใจเพราะเราไปรักทรัพย์ของเขาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบาปที่เราจะต้องใช้ต่อไปในอนาคตคําถามจากคุณกิติชาติครับเราเข้ายานไหนถึงจะเห็นการเกิดดับและในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเกิดอารมณ์ไหนเราก็ดูแต่ลมหายใจแบบนี้จะเกิดปัญญาได้ไหมครับหรือต้องนั่งสมาธิจนเกิดยานได้อย่างเดียวครับ คือไม่จํยาเป็นจะต้องมีอยางที่จะเห็นการเกิดดับเนะนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลเห็นเด็กเข้าออกมาแล้วก็เห็นการเกิดนะแล้วเวลาเราไปวัดเห็นคนตายแล้วก็เห็นการตายของร่างกายแนละ้วของเหล่านี้มันมีอยู่รอบตัวเราแต่เราไม่มองมัน น, นั่นเองทุกเรามีเกิดมีดับอยู่แทบทุกวันวันคืนมันก็เป็นการเกิดดับแในวันนี้ก็ดับไปแล้ววันนี้วันอาทิตย์ก็ดับไปแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นคืนอาทิตย์ไปแล้ว เดี๋ยวเกิดอาทิตก็หายไปเดี๋ยวกลายเป็นวันจันทร์ขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นการเกิดดับการเกิดดับนี่มีตลอดเวลาฝนตกก็เป็นการเกิดพอฝนหยุดก็เป็นการดับนี่คือการเรียกการเกิดดับของของธรรมชาติของสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้มันมีเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เรามองไม่เป็นเท่านั้นเอง คุณกิ่กนกมลครับเหตุการณ์โควิดนี้มาเพื่อบอกอะไรพวกเราคะในด้านนามธรรมค่ะเราก็บอกว่าโลกนี้ไม่เที่ยงแค่แน่นอนโลกนี้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะมาเจอโรคภัยไข้เจ็บไม่มาเจอความตายก็ต้องเนี่ยมาเกิดเท่านั้นคําถามจากคุณอนัญญาซีซีครับทําไมในช่วงโควิดถึงเน้นทำเรื่องการปล่อยวาง มากกว่าพยายามคะเพราะว่าการปล่อยวางจะทําทให้ใจเราไม่ทุกข์นั่นเองถ้าเราพยายามที่จะคอยต่อสู้กับมันแล้วถ้าเราสู้ไม่น่าเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเรายอมหยุดต่อสู้ใจของเราจะเย็นคําว่ายอมนี่ไม่ได้หมายคำว่าเราไม่ดูแลรักษาร่างกายของเราเราก็ดูแลรักษาไปตามความสามารถของเรา แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายนี้ได้เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเมื่อเรายอมรับความจริงเราก็จะใจของเราก็จะเย็นจะไม่ทุบ ก, กับความเจ็บไข้ได้ปวดกับความตายของร่างกายเราเรียกว่าสูตรสามยอยอมหยุดเย็นยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหยุดต่อต้านความแก่ความเจ็บความตายแล้วใจเราจะเย็น จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่คุณทรงพุทธครับกราบมาสักการพระอาจารย์ครับทำบุญแบบไหนได้บุญมากที่สุดครับก็ทำให้มากไม่ว่าแบบไหนก็จะถ้าทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากบุญก็มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับทานระดับสีงระดับสมาธิระดับปัญญา ส, สี่ระดับด้วยกันถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนธนบัตร ในธนบัตรใบยี่สิบใบห้าสิบใบร้อยใบห้าร้อยใบพันอันนี้ก็บุญก็เป็นแบบนี้ทำทานก็อาจจะเป็นระดับธนบัตรใบละยี่สิบรักษาศีลก็ในระดับห้าสิบหรือร้อยนั่งสมาธิก็ห้าร้อยเจริญปัญญาเห็นตายล่ปล่อยวางได้ก็ได้ปฐนวัตใบละพันคือความสุข จะมากขึ้นตามลำดับของการปฏิบัติความทุกข์ก็จะหายไปมากขึ้นตามลำดับของการปฏิบัติาาาการถามจ้าคุณดวงพรครับกราบธรรมทัศก า, า, ารค่ะระหว่างการทําบุญใส่บาตรกับการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากแบบไหนจะได้อนิสง์ผลบุญมากกว่าคะก็อยู่ที่ว่าเราทำํำสองอย่างนี้เท่ากันหรือไม่ถ้าเราทําเท่ากันก็ได้อนิสงเท่ากัน ที่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะมาวัดปริมาณได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากแบบไหนถ้าเราให้เงินนี้อาจจะสามารถวัดได้เช่นเราใช้เงินพันบาทกับการทำบุญส่บาทกับใช้เงินพันบาทกับการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเราก็จะได้รับผลบุญเท่ากันเพราะความเสียสละของเรานี้มันเท่ากันการให้ของเรานี้เท่ากัน ความรู้สึกที่เกิดความสุขจากการเสียสละมันก็จะเท่ากันคุณอารัญญาครับใช้การปล่อยวางอย่างไรไม่ทำให้เกิดการไม่พัฒนาการไม่เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองคือตามความเป็นจริงเราไปเรียกร้องอะไรจากคนอื่นเขาไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งตนเองเป็นหลักพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอัตติอัตโนโนาโถเป็นที่พึ่งของตน ถ้าจะเรียกร้องก็เรียกร้องจากตัวเราเองเนี่แหให้เรามีความขยันหมั่นเพียรทําหน้าที่ของเราหาเงิน้อาทองหรือทำอะไรที่มันที่จะทําทให้เรามีการพัฒนาขึ้นมาอย่าไปเรียกร้องจากคนอื่นเขาเราบางทีเขาอาจจะให้เราก็ได้บางทีเขาก็าอาจจะไม่ให้เราก็ได้แต่ที่เราจะได้แน่นอนก็คือจากการเรียกร้องจากตัวเราเองาศาสนาพูดถึงเน้นสอนเน้นอัตตาเฮอัตโนนาโถ ให้เรียกน้องสิทธิต่างๆจากการกระทําของเราไม่ให้ไปเรียกน้องจากปู่แต่คุณกี่กี้ครับขอพระอาจารย์ชี้แนะเรื่องการสวดมนต์ภาวนาอุทิศให้โรคระบาดด้วยค่ะครับขอบพระคุณค่ะไม่ได้หรอกอุทิศต้องให้โรคระบาดไม่ได้โรคระบาดไม่ใช่เป็นดวงวิญญาณต้องเป็นดวงวิญญาณถึงจะสามารถอุทิศให้กับให้ให้กับดวงวิญญาณได้แต่โรคระบาดนี้มันเป็น มันเป็นเรียกว่าเป็นสัตว์หรือว่าสัตว์แบบที่ไม่มีวิญญาณคือเป็นเรื่องของดินน้าลมไฟมันเป็นธาตุที่ทําให้ปรากฏมีที่มีมีผลกระทบต่อธาตุเช่นร่างกายของเราก็เป็นธาตุไอ้พวกโลกนี้ก็เป็นธาตุมันที่จะเข้ามาคอยทํำลายธาตุที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้น้อมสลายไป คุณธนิดาครับก่าบพระอาจารย์ครับขอโอกาสพระอาจารย์สอบถามเมื่อนั่งสมาธิแล้วมีนิวร์ห้ามากระทบจะทำอย่างไรครับก็ต้องกำจัดมันสิถ้าไม่กำจัดมันจิต ก, ก็ไม่สามารถนั่งสมาธิเข้าสู่ควาสมสงบได้แต่เวลามีนิวร์มีอุปสรรคเราก็ต้องกำจัดซึ่งมีอยู่ห้าชนิดด้วยกันถ้าเรายังสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่ เราก็ต้องไปศึกษาเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ชัดเจนให้รูยยย้แจ้งอย่าชัดเจนแล้วเราก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่คําสอนของเจ้านี้มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ถ้าเราศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะหายสงสัยได้ถ้าเราเกิดความโกรธเราก็ต้องฝึกแผ่เมตตาด้วยการให้อภัยบุคคลที่เราโกรธ ถ้าเรายกโวนให้เขาได้ให้อภัยก็ได้ความโกรธในใจเราก็จะหายไปถ้าเรามีการอารมณ์เราก็เริกถึงกับสุภาษิตเราเลกอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนของเราการเราเลกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของแฟนของเราเช่นนึกถึงโคลกอดูนึกถึงจับไตไส้พุงนึกถึงอุจจาระปัสสาวะของแฟนของเรามันก็จะทําให้การอารมณ์นี้ดับไปได้ ถ้าเรามีความฟุ้งซ่านเราก็ต้องใช้เจริญสติคือการบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้ใจไปชิบเื่งราต่างๆความฟุ้งซ่านก็จะหายไปได้ถ้าเรามีความง่วงเหงาเหานอนเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินหรืไปหาที่ที่ทำให้เราไม่ไม่ง่วงเช่นไปนั่งสมาธิในป่าช้าในที่ที่มีภัยอันตรายรอบด้านในป่าอันนี้ก็จะช่วยกำจัดความง่วงเหงาเห า, หานอนได้นี่คือวิธีการต่างๆของการระงับ ที่มรี่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการนั่งสมาธิแต่คุณจันจิราครับเคยได้ยินมาว่าบุญอยู่ที่เจตนาแต่ถ้าบุญวัดกันที่ปริมาณการให้มากได้บุญมากแบบนี้คนจนที่เขามีปัจจัยน้อยแต่มีเจตนาอย่างแรงกล้าในการร่วมทำบุญเขาก็จะได้บุญน้อยด้วยใช่ไหมคะน่าสงสารเขานะคะคือการวัดบุญนี่มันมีการวัดอยู่สองแบบด้วยกัน คือวัดจากปริมาณเงินแต่ปริมาณเงินนี้เราไม่ได้วัดด้วยจํานวนเงินเราวัดด้วยสัดส่วนของเงินที่เราบริจาคไปเช่นเรามีร้านหนึ่งเราบริจาคครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ห้าแสนแต่คนหนึ่งมีพันหนึ่งถ้าเขาบริจาคห้าสิบเอร์เซ็นเหมือนเราเขาก็บริจาคเพียงห้าร้อยเขาก็จะได้สัดส่วนของบุญเท่ากับของเราเรามามีร้านหนึ่งเรา บริจาคไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เรก็ต้องบริจาคห้าแสนแต่คนจนคนหนึ่งเขามีแค่พันเดียวแต่เขาก็ต้องการบริจาคห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทรสมบัติของเขาเขาก็บริจาคไปห้าร้อยเขาก็จะได้บุญเท่ากับเราอันนี้เข้าใจั้มเปรียบเทียบเหมือนช้างกับหนูไงช้างจะกินข้าวให้อิ่มต้องกินข้าวสักครึ่งกว่สองแต่หนูนี่กินข้าวแค่ช้อนสองช้อนก็อิ่ม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําบุญของช้างกับของของหนูก็ไม่เท่ากันเพราะช้างมีพลังมากกว่าสามารถเราไปทํางานได้มากกว่ายังอานินนสงส์จากการทําบุญด้วยเงินทองมากนี้จะส่งผลให้เราเวลากลับมาพบหน้าชาตนะ้าเราจะได้เงินทองก้อนนั้นกลับมาบวกดอกเบีย้ยถ้าเราทําห้าแสนเราก็จะได้ห้าแ 0,000 นบวกดอกเบีย้ยถ้าเราทำห้าห้าร้อยเราก็จะได้ห้าร้อย บวกอกเบี้ยอันนี้ไม่เท่ากันพบหน้าชาแนลระดับมาเกิดใหมน่นี้จะโวยจนไม่เท่ากันแต่จิตใจที่มีความสุขจากการบริจาคทรัพย์ห้าสิบเปอร์เซ็นตนี้เท่ากันแล้วเวลาไปสวรรค์ก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกันอาจาใจไหม ม, มีสองลักษณะด้วยกันยังเป็นคนจนจุกคนจะดีใจว่าเราทาบุญน้อยกว่าคนรวยใช้เงินน้อยกว่าแต่ได้บุญเท่ากับคนรวยคือตีตั๋วไปสวรรค์ชั้นเดียวกันได้ เป็นไปดาวดึงต้องทําบุญห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าเป็นเศรษฐีก็ต้องจ่ายห้าแสนถ้าเป็นคนจนมีแค่พันเยว่าจ่ายแค่ห้าร้อยก็สามารถไปถึงสวรรค์ชั้นเดียวกันได้มือนสมัยนี้สถานที่เที่ยวท่องเที่ยวบางแห่งเขาเก็บฝ้าหลังราคาห้าเท่าของคนไทยคนไทยจ่ายยี่สิบาทฝ้าหลังต้อจ่ายร้อยหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะเข้าในสถานที่เดียวกันได้เพราะว่าคมจะเข้าใจ แน้่นไม่ต้องกลัวเป็นคนจนก็สามารถที่จะทําบุญไปสู่สวรรค์ชั้นเดียวกับคนรวยได้แต่จริงแต่ ว, ว่าอันนี้สองที่แล้วในภพหน้าชาติหน้าที่กลับมาเกิดใหม่นี้จะไม่เท่ากันคนทํามากก็จะกลับมาได้ทรัพมากกว่าคนที่ทําน้อยกว่าครับกระจายเลยลครับอาจารย์ครับจากคุณดาเลนครับอาจารย์เคยฝากซองผ้าป่ากับคนอื่นไปทําบุญมารู้ตอนหลังว่าเขาไม่ได้เอาไปให้วัดแบบนี้เราจะได้บุญไหมคะ ได้เหมือนเดิมถ้าเราไม่ไปยึดติดกับเงินก้อนนั้นเราถือว่าเราทําไปแล้วถ้าไม่อยากจะจะได้คืนถ้ามีความอยากจะได้คืนก็จะเกิดความรู้สึกที่ทุกขใจร้อนใจขึ้นมามันก็จะไปกรก บ, บุญที่เราได้ได้ทําไปในเวลาเราให้ไปแล้วเราก็ต้องตัดใจว่าจะไปถึงใครที่ไหนไม่ใช่เรื่องของเราแล้วหน้าที่ของเราคือการให้ตามเจตนาของเราแล้ว แต่ผู้ที่รับไปเจ้าไปทําอย่างอื่นนี่มันไม่ใช่เรื่องของเราเราจะแก้ได้ก็เพียงแต่ว่าถ้าเขาหน้าเรารู้ว่าเขาทําแบบนี้เราต่อไปเราก็อย่าฝากเงินไปกับเขาก็แล้วกันฝากเงินไปกับคนที่เราเชื่อถือได้หรือไปทําเองเพื่อความสบายใจจากคุณพงทองครับการที่คนไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงและไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเพราะไม่เชื่อเรื่องภพชาติถือว่าเป็นบาปมากมายเจ้าคะ คือไม่นับถือศาสนาใดๆก็ถือว่าเป็นเป็นโมหะเป็นความหลงเป็นอวิชชาความไม่รู้เหมือนคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนคนที่ไม่ไปโรงเรียนกับคนที่ไปโรงเรียนนี้มีความรู้ที่แตกต่างกันคนที่ไปเรียนหนังสือก็มีโอกาสที่จะทำมาหากินหาเงินหาทองได้ดีกว่าคนที่ไม่ไปเรียนหนังสือก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ แต่ถ้าเราศึกษาเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนอกจากศึกษาแล้วก็ยังมีสถานที่ให้เราไปไปดูด้วยเช่นพุทธสถานสี่ในในประเทศอินเดียสถานที่พระพุทธเจ้าประเสริฐตัดสรุปแสดงธรรมข้างแรกและเสด็จดับขันธ์ธาตุไิผ่านอันนี้ก็นอกจากได้ศึกษาจากตำราแล้วแล้วเราไปได้ดูสถานที่ด้วยมันก็จะทําให้เรานี่ มีความเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องจริงได้คำถามจากคุณบอตะเลโจครับกราบน้ำระสการครับอาจารย์เวลาพยายามจะทําบางสิ่งบางอย่างให้พอเหมาะพอดีพอควรเราควรคิดอย่างไรกับปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องคิดถึงกําลังของเราและกําลังของผู้เราว่าเขาเล่าได้เท่าไหร่แล้วเราให้เขาได้เท่าไหร่อย่างนี้ก็ต้องดู ดูหลายสัตว์หลายส่วนด้วยกันเวลาเราทำอะไรอย่าใช่แต่ความความรู้สึกนิฟิจของเราเพียงอย่างเดียวเราต้องดูสภาพความเป็นจริงด้วยว่าสามารถทำตามที่เราคิดได้หรือไม่จากคนยองครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะปกติที่ร้านเป็นร้านขายอาหารนะครับจะนิมนต์พระที่มาบิณฑบาตไว้ทุกวันและจะให้ลูกน้องวงเด็ว่าเต็มใจนะครับคนไหนสะดวกก็ใส่บาตรได้เลยเราจะได้บุญไหมคะ จากจิตของเราที่อยากให้ลูกน้องได้ทําบุญเราก็ได้ส่วนของเราคือคืออาหารที่เราเสียสละไปลุงท้าเขาก็ได้ส่วนในที่เขามาช่วยใส่บาตแทนเราก็ได้ทั้งสองฝ่ายด้วยกันและเขายินดีที่จะทําตามที่เราบอกเขาแต่เขาจะไม่ได้บุญจากการเสียสละอาหารของเราเขาจะได้บุญจากการที่เขาเสียเวลามาใส่บาตรให้กับมาใส่บาตรแทนเรา ส่วนนี้เราก็จะไม่ได้แล้วก็แบบให้เข้าไปคํถาถามจากคุณแพทครับกาบเรียนถามต่อนะคะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าฝึกถึงขั้นไหนจริงจะต้องการให้มีอาจารย์แนะนําชี้แนะค่ะเมื่อเราเริ่มมีความสงสัยขึ้นมาว่าอันนี้เป็นอะไรคืออะไรนั่นก็ต้องมีอาจารย์ค่อยบอกเราละว่าเป็นอะไรอย่าไปตัดสินใจด้วยตัวเราเองอย่าไปเมาว่าเป็นนิพพานเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมา ในขณะที่เรานั่งสมาธิเราเจ็บมีอาการแปลกๆขึ้นมาเราอาจจะไปคิดดยตัวเองว่า้ตอนนี้เราเป็นเทพแล้วหรือเปล่าเราเป็นสวดามันแล้วหรือเปล่าอย่างนี้หลังเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปศึกษาจากอาจารย์ผู้รู้ที่แท้จริงเพื่อกันไม่ให้เราหลงหลอกตัวเราเองและเป็นบ้าได้จากคุณจารึกครับกราบธรรมสการพระอาจารย์ค่ะขอกลับเรียนถามว่าเวลาเดินจงกรมใส่รองเท้าเดินได้หรือไม่คะ ได้ไม่มีข้อห้ามแต่ยังได้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคําถามกับอาจารย์ครับการเรียนถามพระอาจารย์หนูไม่สวดมนต์ทุกวันไม่นั่งสมาธิเคยปฏิบัติแต่ไม่นานก็เลิกแต่จะใส่บาต ท, ทุกวันพระชอบทําบุญบริจาคและดูแลพ่อแม่เลยรู้สึกบกพร่องกว่าผู้ที่สวดมนต์นั่งสมาธิประจําก็แสดงว่าเราทําบุญเพียงส่วนเดียวในสามส่วนนั่นเอง คือการทําบุญใส่บาตรดูแลคุณพ่อคนนุณแม่อยู่ในกลุ่มของทานของการเสียสละแบ่งปันแต่เรายังไม่ได้รักษาสิงเป็นกิจจลักษณะเรายังไม่ได้นั่งสมาธิเราไม่ได้เจริญปัญญาอันนี้เป็นบุญที่เรายังไม่ได้เข้าถึงแต่ถ้าเราพยายามศึกษาพยายามพยายามปฏิบัติต่อไปเราก็จะได้บุญครบทุกชนิดต่อ คุณมนครับกล่าวนักวชาการพระอาจารย์ค่ะการคิดว่าชีวิตคนเราเกิดมาทําไมอยู่บ่อยๆพออธิบายได้ไหมหรือมีวิธีฝึกใจไม่ให้คิดแบบนั้นได้ไหมคะคิดว่าคนเราเกิดมาทําไมอยู่บ่อยๆไม่เข้าใจความหมายทําไมอยู่บ่อยๆทำไมเกิดมาบ่อยอย่างนี้หรืเปล่าครับอาจารย์ทำไมต้องมาเกิดบ่อยๆลงทรงคําถามามาใหม่นี่ปเดี๋ยวตอบไปิเพลินะทำมาอยู่บ่อยๆทําทำอะไรอยู่บ่อยๆ ทำซ้ำซากอยู่บ่อยๆหรือเปล่าเรื่ อ, นองนี้น้องคุณนริมนเขียนมาดี น, นะครับครัขอข้ามไปก่อนะ น, ะนะครับคุณนริมนครับไปปฏิบัติธรรมตอนเช้าจะตักอาหารที่ชอบกําลังจะตักอาหารมือก็ตักอยู่จิตก็บอกให้เอาเยอะๆความอยากที่ได้เยอะหาที่สุดไม่ได้เลยค่ะจนเป็นความโลภมือสั่นใจสั่นรีบเอามือมาไม่ตักอีกค่ะจะพิจารณาอาหารยังไงคะ ก็ต้องพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารให้เราเลือกถึงอาหารที่เราจะรับประทานเวลามันอยู่ในปากของเราถ้าเราคลายออกมานี่เราจะตักกลับเข้าไปในปากเราได้หรือไม่หรืออาหารที่อยู่ในท้องแล้วอาเจียนออกมาหรืออาหารที่เราถ่ายออกมาในโถส่ว้วมอย่างนี้ถ้าเราเลือกถึงภาพของอาหารชนิดต่างๆที่เข้ามาสู่ร่างกายของเรา พอเราเนื้อถึงภาพของอาหารเหล่านี้แล้วความอยากจะกินอาหารเยอะๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปหรืออาจจะถึงขั้นกินไม่ได้เลยก็ได้ถ้ากินไม่ได้ก็แสดงว่าเราพิจารณาเกินไปเราก็ต้องมาหยุดพิจารณาพอระงับความโลภความอยากแล้วก็ตักอาหารพอประมาณก็พอจากคุณเอกครับ คนที่ตายจากโรคโควิดนี้ถือเป็นอุปบัติเฉทกกรรมฝ่ายบาปมาตัดรอนหรือเปล่าครับถ้าใช่แบบนี้คนที่ตายก็ต้องติดในปรภก่อนไปจุติใช่ไหมครับไม่หรอกมันเป็นผลของการมาเกิดทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายตายด้วยเหตุใดเหตุห น, นึ่งทั้นนั่นเองแต่ก็เป็นเป็นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นเป็นเพราะเราทาบาปชนิดนั้นชนิดนี้มาหรือไม่เป็นเรื่องผลของการมาเกิด มาเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปด้วยกันทุกคนคุณเมธาพันธ์ครับนั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วเหนื่อยเพราะเหมือนไปกําหนดเข้าออกซะเองเราดูรู้สึกปากที่ขยับคําว่าพุโทโธแทนได้ไหมคะได้นะเอาแต่คําว่าพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมเลยก็ได้ตามพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจขึ้นอย่างเดียวก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าทําทั้งสองอย่างแล้วมันเหนื่อยก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง คำ ถ, ถามจากคุณมาลีครับการละนันทิบ่อยๆจะทําให้จิตของเราสงบลงได้ไหมคะนันทิแปลว่าความยินดีใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าบาดีเท่าไหร่บ้งนั่นใช่ถ้าเราละความยินดีได้มันก็จะทําทให้จิตเราเข้าสู่ควา ส, สงบได้งา่ายถ้าเรายินดียินดีกับภาพยนตร์เราก็อยากอยากจะดูภาพยนต์ถ้ า, ายินดีกับรสนาาิยมเราก็อยากจะรับประทานอาหารนั่นพยายามลดความยินดีในสิ่งต่างๆลง แล้วถ้าทำให้จิตเราไม่ไปโทลงไม่ไปคิดอยากกับสิ่งเหล่า น, นั้นขณะนั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสู่คามสงบได้ง่ายกว่าจากคุณพัดครับาศาสนาสอนให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นสอนให้คิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแต่ขณะเดียวกันตั้งแต่เกิดมาสังคมก็สอนให้เรารู้จักแต่ความเป็นเจ้าของและผูกพันกับสิ่งรอบตัวตลอดเวลาจะมีวิธีบาลานซ์ความคิดอย่างไรดีคะ ก็ต้องสอนให้เรารู้ว่าสิ่งต่าง ๆ, ๆที่เป็นของเรานี่มันเป็นของชั่วคราวเรายึดได้แต่เราต้องเตรียมพร้อมที่จะต้องพัดพาจากมันไปวันใดวันหนึ่งทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องมีการพัดพาจากทุกสิ่งทุกอย่างไปอันนี้ก็จะทำให้เราแบ่งใจเป็นสองส่วนได้คือก็ดูแลรักษาของที่เรามีอยู่ให้ดีเพราะมันเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็พร้อมที่จะต้อง ให้มันจายเรไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เช่นไฟไหม้บ้านน้ําท่วมหรือตึกถล่มอย่างที่เราได้ยินข่าวในอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นเราต้องคิดถึงเรื่องของความสูญเสียที่จะต้องตามมาไม่ช้าก็เร็วนันเองจะทําให้ใจเราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็อาศัยในสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องอาศัยมีในสิ่งที่เราจำเป็นจะ ต, ต้องมี แต่ต้องรู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะต้องมีการสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปเราใจของเราจะได้ไม่ทุกเวลาที่เราเกิดการสูญเสียขึ้นาจากคุณภูมิพวีครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้ามีคนแช่งเราเราจะเป็นไปตามที่เขาแช่งไหมครับถ้าเขาแช่งให้เรารวยนี่เราจะรวยตามที่เขาแช่งหรือเปล่า <c oughs> ม, ม, ม, มันไม่มีทางหรอกปากของคนมันทําให้คนอื่นรวยจนได้ยังไง รวยจนอยู่ที่การทํางานของเรามากกว่าถ้าเราขยันทํางานขยันเก็บเงินขี้เกียจใช้เงินเดี๋ยวก็รวยไนะด้ได้ขี้เกียจทํางานอขี้เกียจทางานขยันขยันใช้เงินนี่ไม่มีวันรวยได้ครับจากคุณรัชยาครัพระอาจารย์ขอาการเรียนถามพระอาจารย์เมื่อจิตสงบนิ่งอุเบกขาแล้วมีสติอยู่รู้ว่าสงบนิ่งเฉยๆสักพักก็รู้ว่าเผลอไป ก็มีสติรู้กลับมาเห็นว่าสิ่งที่คิดหายไปรู้แบบนี้คือเกิดปัญญาหรือไม่คะยังหรอกเป็นการฝึกสติควบคุมจิตให้เนื่องไปนานๆปัญญานี้ต้องเป็นเห็นการเกิดดับของของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นร่างกายถ้าเราเห็นร่างกายของเราว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวต้องดับอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นปัญญาคือต้องเห็นเป็นไตรลักษณ์หมดเลยนะครับอาจารย์เป็นปัญญา แม่ได้ตัวเราไม่ใช่ของเราเว mm hmm. ามันตายมันจะทําให้เราทุกข์พราเราไปอยากให้มันไม่ตายเท่านั้นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมให้มันตายไปจากคุณอมพรครับกราบธรวัศการพระอาจารย์การที่ฝันเห็นบุปการีที่ล่วงรับไปแล้วว่าได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันในฝันอย่างนี้คือท่านมาเข้าฝันเพื่อมารอรับส่วนบุญใช่หรือไม่มันเป็นได้ทั้งสองอย่าง มันเกิดจากความคิดถึงของเราปรุงแต่งขึ้นมาจิตของเราปรุงแต่งไปก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราก็ได้เน้นเน้นธําเนียมของคนไทยเราชาวพุทธก็คือถ้าเราฝันถึงคนตายเราก็มักจะเผื่อไว้ทําบุญเผื่อเขามาเข้าฝันจริงๆแต่บางทีอาจจะไม่ได้เขามาเข้าฝันก็ได้อาจจะเป็นเพราะความคิดถึงของเราทําให้เราคิดถึงท่านแล้วก็ฝันไป ฝันไปถึงมุง่งทาได้ทํากิจกรรมกับท่านก็ได้มันเป็นไปได้ทั้งสองทางถ้าอย่างนี้ทางที่ดีก็ไปทำบุญเลยใช่ไหมครับอาจารย์ทางที่ดีก็ทําเผอไว้ก็แล้วกันจากคุณรัชยานะครับโยนิโสมนัสิการต่างจากนักคิดอย่างไรคะเกรงว่าจะนึกฟุ้งไปปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เป็นเรื่องเป็นรา เช่นต้นเราจะพิจารณาอสุภะเราก็าต้องคิดแต่เรื่องอสุภะเองเดียวกาดูอาการ3าสิบสองของร่างกายนี้หรือดูซากศพดูลาร่างกายกลายเป็นซากศพจิตสิทิชนิดเรียกว่าโยนิโสคือต้องมีมีการกำหนดกรอบของความคิดไม่ใช่คิดแบบเพิ่เชื่อเพิ่ฝันคุณแพรนะครับเข้ารรษาจะไป วัดถวายสังฆทานทุกปีปีนี้โควิดระบาดหนักหากเราไปถวายที่วัดแต่ไม่ได้ประเคนและนับพรกับพระจะได้ไหมคะได้ไม่ไปเองก็ได้สมัยนี้วัดเขามีบัญชีเงินฝากโอนบัญชีเข้าวัดไปก็ได้แล้ววัดเขาก็จะได้ไปให้คนจัดซื้อหาอาหารมาถวายพระให้กับเราก็ได้แทนเราก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องไปด้วยตัวของเราเองสมัยนี้การทาบุญ สะดวกด้วยการโ อ, อนเงินเข้าบัญชีของวัดไปเลยก็ได้หรือมีแม่ค่าบางคนที่เขาอทําอาหารบริการให้กับญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดเราจะฝากให้เขาทาบุญให้กับเราก็ไดเเาา้เวลาเขาทาอาหารเวลาทาวาอาหารเขจะถ่ายรูปให้เราส่งมาให้เราดูเพื่อจะได้ยินนะว่าเขาได้ทํำตามที่เราสั่งเขาก็ได้แลไม่จําเป็นจะต้องไปที่วัดเสมอไปในเรื่องของการทําบุญ คำถามจากคุณบีบีครับกล่าบพระ อ, อาจารย์ค่ะตอนนี้กลัวตากลัวตายกลัวจากสิ่งที่เป็นที่รักมากเลยค่ะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้ความรู้สึกกลัวตายลดลงก็เราพยายามฝึกสมาธิทําจิตใจให้นิ่งให้สงบให้ได้เพราเวลาจิตสงบนิ่งแล้วจิตจะมีอุเบกขาจะวางเฉยได้ยอ จ, จะรับความเป็นจริงของชีวิตได้จะรับจะรู้ว่าจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันะร่างกายตายแต่จิตไม่ได้ตายไปกับร่างกาย จากคุณนาราครับพระอาจารย์คะใครจะได้รับผลบุญมากกว่ากันระหว่างโยมีเงินทำ บ, บุญกับวัดเช่นเป็นเจ้าภาพหลักทำบุญกฐินหลักล้านกับญาติโยมชาวบ้านที่มาร่วมบุญมีเงินน้อยทำบุญหลักสิบแต่มีเวลามาทำบุญปฏิบัติถือศีลภาวนาที่วัดในทุกวันก็แล้วแต่ว่าเราทำมากทำน้อ ย, อยนะถ้าเราทาบุญหลักสิบเงินที่เราบุญที่เราไดจากการทาทานอาจจะน้อยกว่าเจ้าภาพแล้ว แต่ถ้าเจ้าภาพไม่มีเวลามารักษาศีลมาภาวนาแต่เรากับมีเวลามารักษาศีลมาภาวนาเราก็จะได้บุญส่วนนี้มากกว่าเจ้าภาพยังก็ต้องวัดกันเป็นชนิดชนิดไปญากเป็นชนิดชนิดไปจากคุณสีมกรครับพระอาจารย์ครับเราสามารถส่งผลบุญให้ใครคนใดคนหนึ่งได้หรือไม่ครับส่งได้เฉพาะผู้ที่ร่วมรับไปแล้วคนที่มีชีวิตอยู่นี้มันน้อยเกินไป บุญที่เราส่งไปให้ผู้รองรับนี้มันเป็นส่วนน้อยถ้าเราต้องการที่จะให้คนที่มีชีวิตอยู่นี้ได้รับความสุขเราก็ส่งเงินไปให้เขาไม่ต้องไปทำบุญทำบุญกับเขาเลยจากคุณพิเชษครับกราบน้กวัชาการผมเห็นพระแถวนครสวรรค์นิยมออกเหรียญและเอาเงินมาสร้างวัด สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลแล้วปล่อยให้ลูกศิษย์ปัน่นราคาวัตถุมงคลกันเองมันถูกตามหลักศาสนาไหมครับไม่ถูกหรอวศาสนาไม่ได้สอนให้เรามาสร้างวัตถุมงคลมาขายเพื่อหาเงินหาทองมาทำประโยชน์อะไรต่างๆการทำทาประโยชน์ต่างๆจากเงินทอง น, นี้เกิดจากการบอยจากทรัพย์ด้วยความบอยสุดใจของของชาวชาวพุทธโดยไม่มีการขอจากทางวัดทางพระเมื่อ เมื่เขาต้องการสนับสนุนทางวัดแล้วเกิดเงินที่มาสนับสนุนทางวัดมีมากเกินไปเขาก็สามารถนําไปสนับสนุนทางด้านหนึ่งได้เช่นการลงสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลอะไรต่างๆแต่ไม่ควรจะเกิดจากการเนีรายด้วยวิธีการต่างๆด้วยการออกเหรียญ เ, เ, เพื่อเอาเพื่อเอเรียญนี้ไปขายเพื่อที่จะได้เอามนมาทําประโยชน์ต่างๆคําถา ม, ถามจ้าคุณวีนาครับ กราบขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนบางคนทําบาปทําไม่ดีต่อผู้อื่นหลอกลวงผู้อื่นคนที่ถูกกระทําคนทําอย่างไรคะให้ยึดหลักอริ ย, ยสัจสี่ใช่ไหมคะให้ึให้ยึดหลักกันว่าเราอาจจะเคยทําอดีตนะอดีตเราอาจจะเคยทําบาปเหล่านี้มาก่อนทีนี้เราก็ต้องมารับผลบาปที่เราทําในอดีตไปจากคุณใบครับ ขอพระ อ, อาจารย์แนะนําค่ะในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งจากความคิดสามารถใช้หลักธรรมใดมาปรับใช้ในสถานการณ์เช่นนี้ได้คะ่ะก็ให้สมือนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนให้คุยในเรื่องที่เราคุยกันได้เรื่องที่เราคุยกันไม่ได้ก็อย่าไปคุย น, นั่นเองภาษาส่วนเหมือนแล้วก็เสมืนส่วนต่าง ถ้าเราชาบกินก๋วยตี๋ยวก็ชอบกินข้าวผัดก็อย่าไปคุยกันเรื่องนี้ <S <S แถ้าเขาชอบดูหนังเรื่องนี้เราก็าชอบดูหนังเรื่องนี้ก็คุยเรื่องนี้ได้จะคุณนาตยาครับการมาฉันทะกับปฏิทะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะคือการมาฉันทะเป็นเหตุทําให้เกิดปฏิทะคือความโกรธเกลียดลคาญใจน้งเกีเกดยดนูเวลาและทีเ่เรามีความอยากจะเสกกางแล้วเราไม่ได้เสกนี่เราจะรู้สึกโกรธอยู เนช่วงนี้คนอยากจะออกไปนอกบ้านกันเพื่อไปเสกรูปเสียงกลิ่นร่าพอไม่ได้ออกก็เกิดความรู้สึกงุ่ดจิดความงุ่ดจิตนี่ก็คือปฏิฆาที่หนึ่งมันเป็นผลที่เกิดจากการมีการมาฉันทะคุณป๊อกกี้ครับสวดมนต์เสร็จและอุทิศให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้รับผลบุญไหมคะก็แล้วแต่ว่าท่านมารอรับหรือไม่ถ้าท่านรอนรับก็ได้ถ้าไม่มารอรับก็ไม่ได้ คุณวีนาครับกาบเียนถามพระอาจารย์คำว่าพุทธโธความหมายจริงคืออย่างไรคะแล้วทำไมนั่งสมาธิท่องคำอื่นไม่ได้หรือเจ้าคะได้ไม่มีใครห้ามท่องคำอะไรก็ได้คาว่าพุทธโธนี้คือชื่อของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแายความหมายของคาว่าพุทธโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาเตื่นจากโมหะอวิชชาความหลงความความหอเขาเบ า, บาปัญญ า, าต่าง นี่คือคําว่าพุทธโธแล้วเราก็เรียกพุทธโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็เป็นอารมณ์หนึ่งที่เราสามารถใช้ในการทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้แต่เราสามารถใช้คาอื่นได้เช่นเราจะใช้ทำโมก็ได้สังโคก็ได้มาใช้คําว่าตายก็ได้มรณะนสติก็เ ร, เรียกว่าตายตายตายตายก็ได้หรืออนิจจังก็ได้อนิจจังก็เหมือนกับคําตายอันนี้เราสามารถใช้อะไรหลายอย่างได้ แล้วแต่เราจะเลือกใช้เองแต่ส่วนใญ่เรามักจะพูดถึงพุทโธกพรรู้สึกว่าเป็นคำที่ทุกคนให้ความเคารพและมีความเชื่อว่ามีมีความขัดมากกว่าคำธธอคื่นๆคุณพาณุมาครับแม่ชอบบ่นบ่อยเราทำไม่ได้ดังใจท่านเพราะทำงานอยู่ด้วยกันตลอดจะมีวิธีคิดทำยังไงให้เราปล่อยวางได้เวลาที่ท่นน า, น, าบบบนบ่ไไนคะนกะ็คิดว่ า, ยยางงเป็นเหมือนเสียงนอกเสียงกาก็แล้วกัน เราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้นกมันจะร้อมมันจะอะไรเราก็ไปสั่งให้มันหยุดไม่ได้ทันใดเวลาแม่บ่นเราคิดว่าเป็นเสียงนกเสียงกาไปเป็นเป็นสิ่งที่เราไปห้ามท่านไม่ได้ก็ปไว้ท่านบ่นไว้ท่านเองจากคุณพอลม้าครับขอสอบถามครับพอดีผมได้ฟังว่าสมุทัยคือตันหาบ้างหรืออุปทานในขันห้าบ้างทั้งสองต่างกันอย่างไรครับคําว่าสมุทานี้แปลว่าต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ อะไรทำให้ใจเราทุกข์สิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์ก็คือตัณหาสามอย่างการมากตัณหาความอยากเสพกลามเพราะว่าตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิเพราะว่าตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือสบุตรไทยปนเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์แล้วท่านก็มาสรุปลงที่อุปทานในขันห้าคำว่าอุปทานก็คือความยึดมั่นในสิ่งในขันห้า คือพวกเราทุกคนที่เกิดมาแล้วเราจะยึดติดอยู่กับขันห้าโดยเฉพาะร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเรายึดติดเพราะเราอยากให้ร่างกายนี้มีความสุขไม่อยากให้ร่างกายนี้ทุกอยากให้ร่างกายเราอยู่ไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เลยใช้แทนกันได้เพราะถ้ามีอุปทานมันก็จะมีความอยากตามมาถ้าเรายึดมั่นสิถือมั่นในสิ่งใดแล้วก็อย่าอยากให้ สิ่งนั้นดีนั่นเองเช่นเรายึดบั่นถือมัน่นว่าบ้านตรนี้เป็นของเราเราก็อยากจะให้บ้านเราเป็นบ้านที่ดีปลอดภัยพอแม่บ้านมันมีปัญหาเกิดความเสียหายขึ้นมาใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นดังนั้นเราก็ต้องอยากไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งต่างๆเป็นเราเป็นของเราเพราะเวลาไม่เป็นของเราแล้วเราจะไม่ค่อยเดือดร้อนบ้านของชาวบ้านจะไฟไหม้เราก็จะไม่ทุกข์รถของชาวบ้านจะหายไปเราก็จะไม่ทุกข์ แตพอมาเป็นของเราขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีก็เลยถือว่าการไปยึดบ้านถือบ้านในสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นสมุทยัยคือตอ้นเหตุของความทุกข์ได้เหมือนกันคุณพัฒนิตครับขออนุญาตถามนะคะเคยฝึกนั่งสมาธิแล้วเจอสภาวะเหมือนร่างกายถูกเวี่ยงเหมือนลูกหางจึงใช้จิตตัวรู้จนจิตสงบแล้วออกจากสมาธิแล้วไม่กล้านั่งอีกนานค่ะกลาวขอคําชี้แนะค่ะ ก็ถือว่ามันเป็นอาการจิตเป็นมายาหลอกเรานั่นเองที่เกิดขึ้นเพราะตอนนั้นสติเราไม่มีแล้วเผลอสติไปวิธีที่จะแก้แม้มันเกิดกข้ามายาให้มีสติอยู่อย่างต่อเ น, นื่องจะให้มีสติท่องคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างหยุดเนื้อให้มีสติ ด, ดูลมหายใจเข้าออไปอย่างหยุดถ้าเรามีสติอย่างต่อเ น, นื่องอาการต่างๆนี้นก็จะไม่เกิดขึด้นอกเกิดก็ไม่เป็นไรมันเป็นอนิจจ มันเป็นเหมือนภาพหลอนภาพหอกเป็นมายอยามันไม่สามารถทำลายเราได้ทำลายจิตใจเราได้คำถามสกคุณเอชวีครับเป็นเข่าเสื่อมนั่งสมาธิขาขวาทับซ้ายแล้วเจ็บจะนั่งขาซ้ายทับขวาแทนได้ไหมคะได้ไม่ผินหรอกแล้วถ้านั่งขัดสมาไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้ครับจากคุณโน้ตครับ เป็นอาสาสมัครให้คนตาบอดคนตาบอดไม่ต้องการให้อาสาคิดว่าทําเพื่อต้องการได้บุญเพราะเป็นการดูถูกเขาช่วยเขาเอาบุญจริงๆแล้วเราช่วยเขาเพราะเห็นเป็นเพื่อนมนุษย์บุญเป็นผลพลอยได้อย่างนี้ใครคิดถูกคิดผิดครับมันเป็นความเมตตาการที่เราทำํำบุญช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเรามีความเมตตามีความปรารถนาที่จะทําให้เขาให้ความสุขกับเขานึอช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือย น, น้อนของเขา อันนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาก็ถือว่าเป็นบุญชนิดหนึ่งเราไม่ต้องเรียกว่าบุญก็ได้ถ้าเขาฟังถ้าเขาฟังว่าเป็นบุญแล้วเขาจะไม่เป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นหนี้เขาเป็นลูกหนี้เราอันนี้เป็นเพราะว่าเรามีจิตสำเน็ตที่เราอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขเราต้องเรามีไมตรีจิตต่อผู้เราอยากให้คนอื่นมีความสุขจากการกระทําของเรา คำถามจากคุณจันจิราครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธินั่งได้ไม่ค่อยนานปากพุโทโธบางครั้งใจเผลอคิดไปข้างนอกมีสติก็ดึงกลับมานิ่งสักพักใจมัวแต่คิดว่านิ่งนานหรือยังหนอพอได้หรือยังหนอแบบนี้ควรเริ่มยังไงดีคะควรเริ่มฝึกสติก่อนที่จะมานั่งควรฝึกสติให้มากๆเราทําได้ทั้งวันเลยเต่มขึน้นมาในช่วงที่เราตืน่น เราเตรียมตัวไปทํางานนี้เราก็จะสามารถทำพุโทโธพุโทโธไปได้ควบคู่กับการเตรียมตัวของเราพอเราต้องทํางานต้องใช้ความคิดแล้วก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอเราไม่ต้องใช้ความคิดกับการทํางานเราก็พุโทโธต่อได้ถ้าเราฝึกสติอย่างนี้ทั้งวทั้งวันพอเวลาเราจะมานั่งสมาธินี้เราจะสามารถควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้แจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ คุณวันล้านไลค์ครับเรียนถามพระอาจารย์โควิดที่เกิดขึ้นเพราะอดีตชาติคนหมู่มากได้ทํากรรมร่วมกันมาใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยตรงนี้เป็นเรืองของธรรมชาติที่จะผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาไปเรื่อยๆนอกชนิดต่างๆมันจะมีผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเรื่องของธรรมชาติการการที่เรามาเกิดนี่เป็นนั่นเกิดจากการที่เรามีความอยาก อยากหาความสุขทางตาหูจมูกรนกายมันก็เลยพาให้เรามาเกิดมนมีร่างกายพอเรามีร่างกายเราก็ต้องมาเจอกับร่างกายที่มีภัยต่างๆมาคอยมาคอยทำลายมันเท่านั้นเองจากคุณวรีพรครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าคุณแม่เป็นคนประหยัดไม่ยอมทิ้งของที่ควรจะทิ้งเช่นผ้าเช็ดโต๊ะที่ถึงแม้จะซักแล้วก็ดำหมองแล้วท่านก็ทิ้งของยาก เราจะแนะนําให้คุณแม่วางจิตวางใจใช้ธรรมะข้อใดแนะนําท่านอย่างไรดีคะ ค, ความจริงคนแบบควางเมยองนี่เป็นคุณธรรมอยู่แล้วนะแม่คนที่จะไปสอนแม่คุแม่ก็เห็นคุณค่าของการใช้ของถ้าตามดจของนั้นยังใช้ได้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่สวยงามมันยังทําประโยชน์ได้อยู่เก็บไว้ใช้ก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใดพวกเรานเป็นพวกที่นงกับ สีแสงแสงสีชอบหลงกับของใหม่ๆแต่เราไม่รู้เลยว่าของใหม่เราซื้อมาเดียวเดียวมันก็เก่าแต่ยังใช้งานได้อยู่แล่เพราะความชอบไงของของใหม่มันก็เลยทําให้เราลังเกีของเก่าขึ้นม า, ท, าทั้งๆที่มันใช้ยังใช้ของได้ยั้นเรื่องเหล่านี้เรื่องของความประหยัดนี้เป็นเป็นธรรมความประหยัดวัตถุนี้เป็นธรรมไม่ได้เป็นความเ ป, เป็นโทษแต่อย่างใด ถ้าท่านอยากจะเก็บไว้ก็ให้ท่านเก็บไว้ไม่ต้องไปยุ่งกับท่านจากคุณแคทครับกลาวเพลียนถามพระอาจารย์เวลาบริกรรมพุทโธบางครั้งรู้สึกขัดกับลมหายใจเข้าออกเคยลองใช้วิธีกำหนดจิตให้เห็นตัวอักษรพุทโธพุทโธพุทโธแล้วอ่านตามในใจได้ไหมคะได้แต่ไม่ต้องก็ได้เพียงแต่ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องเลนดูลมหายใจเข้าออกพร้อมๆกันด้วยก็ได้ ให้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวก็ได้ก็ใช้ได้แต่ถ้าอยากจะนึกถึงตัวอักษรแล้วก็อ่านไปด้วยขณะที่เราบริกรรมพุโทโธก็ได้เป้าหมายก็คืออยู่ที่ว่าทําให้ใจเราหยุดคิดได้ไหรือไม่ถ้าหยุดคิดได้ก็ถือว่าใช้ได้คําถามจากคุณรงและยองครับเมื่อเราพิจารณาไปรักษมากๆบ่อยๆจนเชื่อว่าพระธรรมเป็นจริง แต่เรื่องพบภูมิต่างๆเป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นเป็นเรื่องหลอกลวงเรามาถูกทางไหมครับไม่ถูกหรอกเพราะเรื่องของพบภูมิต่างๆก็ไม่ใเรื่องของจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาที่เราพิจารณาใจรักเพื่อสอนให้เราเห็นว่าพบภูมิต่างๆเป็นของชั่วคราวเราไม่ควรไปยินดีที่จะไปเกิดในพบภูมิต่างๆเพราะเพราะเพราะความไม่เพราะความชั่วคราวนี้จะทําทให้เกิดความชุกขขึ้นมา เวลาเกิดการสูญเสียเวลาเกิดการสิ้นสุดลงนั่นเองการพิจารณาตายรับนี่เป็นของจริงการพิจารณาพบภูมิต่างๆก็เป็นความจริงก็ตายรับนี้ก็อยู่เนี่ยการพิจารณาตายรับ ก, ก็ต้องพิจารณาเรื่องพบภูมิต่างๆว่าเป็นตายรับเหมือนกันคุณบัณฑิตครับการเสียภาษีรายได้ทุกปีเราได้บุญไหมครับจากที่รัฐนําไปช่วยเหลือประชาชนพัฒนาประเทศ ไม่ได้พรเราถูกบังคับให้เสียเป็นเหมือนกับการไปซื้อของที่เราต้องเสียภาษีเพราะว่าเราจะต้องต้องซื้อตำํำรวจซื้อทหารซื้อถนนหนทางซื้ออะไรต่างๆอันนี้เป็นการจ่ายของเ ป, เป็นการจ่ายจ่ายเงินเพื่อซื้อของเพื่อซื้อประเทศซื้อบริการของประเทศไม่เหมือนกับการทําบุญนี้เป็นการให้โดยไม่มีการไม่มีผลตอบแทนแนะให้ด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับให้ให้ให้ด้วย อาจารย์ครับแต่อย่างผมได้คืนภาษีแล้วผมไม่รับคืนโยคะให้ประเทศนี้ผมได้บุญใช่ไหมครับอาจารย์ได้เพราะเราถือว่าเป็ทําบุญจากประเทศอย่างครับเลยที่เขาไม่บังคับเราครั บ, รบจากคุณแองเจิลครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าถ้าคนไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระเลยแต่ไหว้รูปบิดาที่เสียชีวิตไปแล้วทุกวันพระแทนบิดาเสียไปแล้วจะได้รับบุญจากลูกไหมคะคือการไหว้บุคคลที่เป็นมีพระคุณของเรามันกับได้บุญ แต่นั่นเป็นบุญที่น้อยมากเป็นบุญนิดเดียวเป็นการให้ทำให้เราเป็นคนในความกระตันอยู่และลึกถึงพระคุณของบุคคลคนอื่นเพื่อที่เราจะได้ไม่กระทำการอัคตั อ, อยู่หรือในระคุณกันเองแต่ไม่ได้เป็นบุญที่มากมายกายกองอะไรไม่ได้มาแทนบุญที่เราต้องทำคือการทำทานนักษาศีลหรือปฏิบัติธรรมใด จากคุณชัดชะพงครับกราบรมสการค่ะปกติสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันค่ะวันนี้เพิ่งสวดมนต์นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงพบว่าจิตสงบนิ่งรู้สึกสบายไม่รู้สึกปวดทรมานขาเหมือนทุกครั้งค่ะเรียกว่าก้าวข้ามเวทนาไหมคะควรกำหนดจิตอย่างไรคะก็เรียกว่าเป็นการเข้าสู่สมาธิก่อนที่จะเกิดเวทนาขึ้นมานั่นเองอยังไม่ได้ก้าวข้ามเวทนาแล้วก้าวข้ามเวทนาต้องเจอเวทนาแล้วก็สามารถปล่อยวางเวทนา และเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ยังไม่เหมือนกันแสดงว่าวันนี้สติเราดีจิตเราสงบก่อนที่อาการปวดขาจะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าบางวันสติเราไม่ดีนั่งไปแล้วจิตยังไม่ยอมสงบแล้วเกิดอาการปวดขาขึ้นมาแล้วเราก็พยายามเจริญสติควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจจนในที่สุดใจเราก็เข้าสู่ความสงบได้ผ่านเวทนาได้อย่างนี้ถึงเรียกว่าก้าวข้ามเวทนาได้ คำถามเจกวีนาครับกราบขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์หนูสงสัยมานานการที่หนูและคนอื่นๆมานั่งสอบถามพระอาจารย์ผู้มีบุญบา ร, รมีสูงเป็นการให้ร่างกายพระอาจารย์ต้องลำบากหนูและคนอื่นๆจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพราะเป็นการมาศึกษาเหมือนเราไปโรงเรียนโรงเรียนอาจารย์เขาก็ต้องมาสั่งเราสอนเรามาบอกมาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระพระมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรมพอ พอบรรลุธรรมแล้วก็เอาธรรมนี่มาเผยแพร่สั่งสอนให้กับศรัทธาญาติโยมสัญญาติโยมก็มีหน้าที่คอยสนับสนุนปัจจัยสี่ให้กับพระใส่บาตรถวายจีวรยารักษาโรคสร้างบุตรที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ทางมหา ล, ายลัยเราก็ต้องจ่ายค่าเรมีนเพื่อที่จะได้เอาเงินเข้าอย่างนี้ไปจ่ายปัจจัยสี่ให้กับอาจารย์ อาจารย์ก็ต้องมานั่ารื้มายืนสอนให้กับเราคั้งละชั่วโมงสองชั่วโมงมันเป็นหน้าที่ที่ตอบแทนต่อกันแล้วกันไม่ได้เป็นการทําบาปแต่อย่างใดไม่ต้องกังวลจากคุณคิมครับขออนุ ญ, ญาตคุณหมอกระปาเรียนถามพระอาจารย์เวลาที่เราไปถวายพระตาหารเพนที่วัดเอ อ, อันนี้ถามให้จบกับอาจารย์ลขออนุ ญ, ญาตครับ เปียนถามพระอาจารย์ผมทําบุญสวดมนต์ให้น้องที่เป็นออทิสติกน้องจะได้รับผลบุญไหมครับไม่ได้หรอกการสวดมนต์นี้เป็นบุญของของแต่ละบุคคลทําแทนกันไม่ได้เหมือนการรับประทานอาหารในรับประทานอาหารแทนกันไม่ได้จากคนวันนั้นไลค์นะครับเปลี่ยนถามพระอาจารย์ช่วงทอดกรถิ่นผมเห็นเจ้าภาพทอดกรถิ่นหนึ่งวัดกับมีผู้คนจํานวนหนึ่งผมเห็นพวกเขาวิ่งรอกไปตามวัดต่างๆกับยี่สิบวัด โดยหยอดเงินลงตู้ทอดกระถิน่นครั้งละ20บาท50บาท100บาทใครจะได้บุญมากกว่ากันครับก็อยู่ที่จํานวนเงินที่แต่ละคนบริจาคก็บริาจาคกันมากก็จะได้บุญมากกว่าคนบริจาคเงินน้อยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากี่วัดอาจารย์ครับขออีกสักสามคำถามนะครับอาจารย์ครับอเชิญจากคุณนัตยาครับจิตกับสติเหมือนหรือต่างกันคะ ตางกันจิตคือผู้รู้ส ต, ติคือผู้ควบคุมจิตให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจิตนี้เป็นตัวบังคับควบคุมจิตเองผู้ควบคุมจิตก็ ค, คือสติตจากคุณเพนพักครับกราบมรณาการขอโอกาสถามเจ้าคะ่ะในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าให้สวดพระรัตนสูตรในการแก้โรคระบาดในพุทธกาลถ้าเราจะนํามาใช้สวดจะใช้ป้องกันโควิดในยุค ป, ปัจจุบันได้ไหมเจ้าคะ่ะ ไม่ได้หรอกการสวดมนต์นี้เป็นการปลูกสติของเราให้เกิดขึ้ น, วนเวลาสวดมนต์เราจิตเราก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะทําใจรับกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ทํำให้เราไม่ทุกข์ทรมานกับการที่เราจะต้องอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นคือบายของพระพุทธเจ้าให้เรามาฝึกสติฝึกสมาธิกันเท่านั้นจักรวลอนุสาครับ เวลาสวดมนต์จะเกิดอาการลุกสู้ตามร่างกายและบางครั้งน้ำตาก็ไหลเกิดขึ้นเพราะเหตุใดคะเพราะจิตของเรามีความอ่อนไหวกับการสวดมนต์นี่เองก็เรียกว่าเป็นปิติก็ได้ไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดแล้วแต่คนจะอ่อนไหวกับอะไรบางคนเจอดาราที่ถูกใจก็น้าตาไหลได้เห็นหน้าดาราหรือดาราได้ทักทายเราเพียงคำเดียวก็น้ำตาไหลขอนุกสู้เป็นมาก็ได้ อันนี้เป็นปฏิกริรยาของจิตต่อสิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกับจิตใจครับคำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับคุณอ้อครับรู้สึกห่วงลูกแต่ลูกโตแล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เราห่วงแต่สุดท้ายรู้สึกว่าเราจะวางได้หากเราตายเราไม่ห่วงวางห่วงได้อย่างนี้ผิดไหมคะคือรู้สึกว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคะไม่เนี่เป็นการเห็นความเป็นจริงว่าการพรฒนาจากการนี้เป็นเรื่องธรรมดา เราต้องปล่อยวางเพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์มาก น, นั่นเองหมดแล้วครัคุณหมอจริงมีอีกครับอาจารย์เข้าแต่ว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาแค่นลยก่นนะับคอาจารย์ผมขอโอกาสอาจารย์สรุปตัวเลขคนที่ร่วมฟังธรรมกันวันนี้นะครับจาก Facebook ทั้งหมดเนี่ย753คนนะครับจาก y o ย t u b บ845คนนะครับ แล้วก็ขับเฮาส์เก้าคนวันนี้รวมฟังธรรมด้วยกันหนึ่งพันเจ็ดรอยห้าสิบเจ็ดคนนะครับอาจารย์ครับก็สุดมีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแาาสดงว่ามีคนสนใจคนรู้เรื่องมากขึ้นก็ดีเพราะการยินดีในธรรมนี้ชนะการยินดีทั้งปวงเพราะเมื่อมีคารยินดีก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เป็นรถที่ชนะรถทั้งปวงคือรถของความสงบความสุขทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะ ด, ดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ ยังขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความยินดีในทมไปได้เรื่อยและพยายามปฏิบัติเพื่อให้สัมผัสกับรสแห่งทรรมให้ได้วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถอด